เวลาท่า น, น, นเท่งไกดผ่าเรื่องงานผ่นานนอกมากเวลาจะทำอะไรก็ให้ทำแบบรวดเดียวทำเป็นธารกิจจำเป็นเรื่องหวง่วนทำปุป๊บ็ก็บปางกุฏิก็มีกาหนดเวลาร่างนี้ก็ไม่ให้เลยเถิดพอเย็นแล้วก็บอกให้เลยจะได้ไปภาวนาบาทีทำยัต้องมุดข้ามนีก็ไม่ไม่ไม่เหมาะ เาเนี่อนใจเลื่ยนจมาั้งยาให้เล่ให้ก็ทันี้ก็ทำอย่างานภายนอกมันมันเป็นงานสนับสนุนแันนั้นเองงานสนับสนุนงานภายในเวลาชอบไปทางานภายนอกก็เลี้งงานภายในบางทีมันไม่เล ม, มันทำไม่ได้เพราะงานภายใ น, นมันยาก้วมันมีฝ่ายต่อตาออา้านเยอะครับไให้ทำ ไฟหลอกล่อเยอะหลอกให้ไปทำงานภายนอกไม่ต้องเราชีวิตเรามันแนิดเดียวแตทำรายการของภายนอกมันก็มันก็แค่นั้นเองเดชีวิตเราก็หมดแล้วเราต้องพิถีนจิตใจของเรามามาเกิดภาตนี้เราเราเราได้เพิ่มขึ้นนิดนึง เรืาเราได้น้อยลงไปงานภายในนี่มันเป็นงานที่ติดไปกับใหญ่แต่งานส่วนอื่นไม่ติดไปสร้างวั้นให้ใหญ่โตขนาดไหนสวยงานขณะไหนเวลาจ่ายไปการจก็ไม่ได้ออกไปด้วยมีไม่ดีไปไม่ได้ด้วยไปถูกลิงไว้ไม้วยความห่วงด้วยความห่วง สร้างวัดแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไปไปไปรับอานิสงส์ของของการสร้างวัดเพราะเพราะเกิดอุปทานเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นวัดของฉันถงึงสร้างไม่สร้างยังไม่เสร็จยังห่วงยังกังวลอยู่ไอไอตัวนี้เลยมาขวางอานิสงส์ของการเสียชละการทนให้ทาง ไม่ได้ไปเกิดใหม่ไปสวรรคนใหม่จะมาเป็นดวงอินทรีย์ดวงเวย็นอยู่แถวบริเวณที่ตอนขอส้างที่ถึงที่ตอนนี้ถูกสร้างไว้ไม่ได้ไม่ได้ระอยู่การมาเกิดเป็นมนุษย์ต่าง กดีที่สุดเะในบรรยาคร่ชาทั้งหมด่งที่บรนัเสที่ของนการนกปงนะถ้านนี้ดีที่สุดพบดของมนี่ดีที่สุดนะเป็นเหมือนติมน้ำมันขับรถดลดแล้วไม่มีไม่เจอเัิมนี่ก็เป็นือกังวล น, นะเพราะน้ำมันหมดเมื่อไหร่มันก็ต้องเดินะถ้ามีเติมไปเติมน้ำมันมันก็จะได้มีน้ำมันพาให้รถวิ่งไปได้ คนขับก็สบายไม่ต้อเดินบุนก็สลนี่ก็เป็นเหมืนน้ำมันแติมรถของเราทำให้เราการเดินทางเราไปได้อย่างอย่างดีอย่างสะดวกอย่างสบายเกิดแต่ในสุคติวนเวีนอยู่แต่ในสุคติไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกเป็นเสไว้บุญที่เราทําไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์ พอหมดบุญก็กลับเรามาสกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญต่อสร้างบุญอย่างเดียวสร้างบุญอย่างเดียวละบาละบามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์จนมาเกิดแต่ละภพแต่ละชาติก็บำเพ็ญบุญอย่างเดียวบารมีทั้งสิบที่พระเจ้าสืบาตินี้ก็บางชาติจะทรงเน้นไปทางบารมีบามีอย่างใดอย่างหนี้ อเบขานี่ก็ไม่พูดะไทยเลยนชะ่ไกรเป็นมีนิ่งเฉยปล่อยวางยา อ, อะไรก็ฉันจะปล่อยวาง่งนั้นอยงั้นนิ่งเฉยไม่ตอบโต้เมตาก็จะเลยเมตตาบัมาด้วยกันเลยมาด้วยกันเลไป็นไรแล้วคุยกันไปเรื่ อ, อนนยๆไม่ได้เทศมันลลักษณะอะไร ทกฟัะดนไได้นคนี้ไม่ได้เอาไมโครโฟนนะไม่ได้เราะวเพระมเพว่ามดเพราะว้เรามดเพีากว่าไมเรา่ได้เพราะได้เพ่เราะไม้าเวมดาว่า่า่่เราได้าเพมาเะเ่ไได้ ใส่เงินใส่ภาวานาสนใจเรื่องสังเทศทางธรคนเยอะเยอะที่ไม่ไม่เห็นคุณค่าไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะว่ามีนมีคุณมีประโยชน์อย่างไรเห็นไหวิ่งแข่งขันหาหาชื่อหาเสียงกันถ้าเป็นนักกีฬาก็แข่งขันหาหารางวัลหาหาเหรียญกันถ้าเป็น พ่อค้าก็แข่งขันเรื่องการค้าทำมาหากินให้บริษัทใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆพ่จารณาทั้งนั้นก็นอยู่เคยคิดว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับจิตใจของตนเองมองไม่เห็นเพราจิตใจมึดบอดมองไม่เห็นสภาพจิตใจของตนเองมองเห็นแต่สิ่งที่ตนเองได้มาแล้วก็ดีใจเชื่ขณะหนึ่งให้ตนเอง แต่เวลาเอื่นที่ถูกความทุกข์ถูกความกังวลความ่วงเนีิ่งความหวงแหนความเสียดายความอะไรเอาวอรความเสียใจอะไรเหล่านี้ที่มันมันนุ่มนอนจิตใจอยู่มองไม่เห็นพอมันเกิดขึ้นมาจนทนไม่ไหวหก็ไปแก้โดยวิธีที่ไม่ถูกบางทีก็ไปซ้าเติม มันไม่ได้แก้ที่ที่ปัญหาที่จ้างมันแก้ที่ภนกมันก็ไปเปลี่ยนทรงผมใหม่คนปเปลี่ยนชุดใหม่ <c oughs> เปลี่ยนชื่อใหม่ <c oughs> เปลี่ยนบ้านใหม่เปลี่ยนห้องช่วยใหม่ <c oughs> ขยับโต๊ะขยับ <c oughs> อะไร <c oughs> ไม่ได้แก้ที่มันถูกที่เลย <c oughs> แก้ที่จ้งไมไ่แก้ ใจมันมีดบอดใจมันไม่เข้าใจชีวิตของคนเรามันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดามันมีเหตุมีปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นก็อยากจะให้ขึ้นมันไปตลาดไม่ยอมไม่มันลงเลยพอมันลงก็อยากจะให้มันรีบบขึ้นไม่ต่อไปหาคุณแสไปหาหมอดูมาหาอะไรต่างๆย่งตอนนี้กลายเป็นเหื้นของพวกที่ผลิตจะตุคามราไม่ได้กัน ไม่ได้ศึกษาพระธรรมสอนเลยเป็นพระเป็นพุทธแท้ๆมงคลสูตรเนี่สามสิประการเนี่ยอ่านกัน้ากหรือเปล่ามงคลสูตรนี่แหละเป็นสูตรที่ที่ให้ให้เราได้มีมความเป็นสิริมงคนให้เราได้พระกับความสุขความเจริญอะครจริงไลไปตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขันวภาลเลยสแสดงไว้ในมงคลสู หนึ่งต้นนั่นก็สอนใหคพบบัณฑิตบัณฑิตให้พบคือคนฉลาดคนฉลาดที่สุดในในโลกนี้ก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์รู้จริงเห็นจริงไม่รู้แบบรู้แบบรู้ความรู้ช่วงหัวตัวไม่รอดรู้แบบโทรด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แล้วก็ถูกเขา้าถเข้าอะไรนะให้ยา คป็นกายเป็นบ้าไปจับเข้าโรงพยาบาลบ้าไปเพราะความหลงไปเจอแพ้นาฬิกาพลาดคุยกันดังเลยยินถึงข้างคุยกันมานี่มันรู้ไม่จริงไงรู้ไม่ทันรูไ้ไม่ทันเกมกิเลก กิเลสของคนอื่นแล้วของเราเรามีความโลภเขาเขาเอาเหยื่อมารอเข า, เขาเอาเหยื่อมา่อเราเราส็ห ล, ลงพอหลงต่างเขาเขาก็เราก็เปิดช่องให้เขาได้มาทำลายเรานี่เป็นคำที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะงันการคบคนไม่ใช่นะเขาว่าบัณฑิตนี่หมายไม่เลยหมายถึงคนที่เกิดเป็นยา หรือคนที่ได้รับเป็นยาที่เขาแจกกันเรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์กันเป็นหมูนีด็อกเตอร์อด็อกเตอร์มรู้ด็อกเตอร์เป็นคนดีเป็นคนดีโดนหลอกง่เกี่ยวกับหลงมันเป็นคนมันติดอยู่ในยศหลาแสน ฤษฎีมันเดินนี่ก็เป็นเหมือนกับการสรรเสริ น, นั่นเองย่องย่อมสรรเสริญนะบุคนลคนนี้เป็นคนเก่งคนฉลาดไม่ต้องเรียนหนังสือครับก็ยินดีที่จะมอบเป็นยันย่างให้คนมอบให้มันก็เป็นคนโง่เหมือนกันถึงมอบให้ <c oughs> คนฉลาดจริงๆกับไม่มอบเพราะมองไม่รู้ว่าคนฉลาดที่แท้จริเป็นอย่างไง ก็วัดคนฉลาดด้วยด้วยผลงานคือการหาเงินหาทองขังเขาถ้าหาเงินเก่งก็เรียกว่าคนนี้คนฉลาดถ้าเขาสามารถแข่งขันชนะผู้อื่นได้ได้ตำแหน่งสูงกว่าคนอื่นหรืได้เป็นานายเกได้เป็นอะไรเ้าก็ถือว่าเป็นคนคนเก่งคนคนเลาแตนคนฉลาดที่แท้จริงกับเห็นว่า ก็ไม่เห็นทำไม่รู้คนฉลาดที่แท้จริงคนอย่างมักจะเป็นคนที่ธรรมดาธรรมดาถ้าไม่มีไม่มีคนบอกก็ไม่รู้เพราะตัวเองก็ไม่มีปัญญาที่จะไปวัดคาลาของของคนฉลาดที่แท้จริง้เหมือนกัรพิพานในในในในในข้ิกเนี่ย ที่ว่าญาญโยงคงคยได้ยินที่กามาเขียนเป็นเรื่องของการมนิวาสิทีมีอยู่การหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเดินทางไปไปเมืองหนึ่งแล้วมีชายคนนี้ใช่ไห ม, มชายคนนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าอยู่เมืองที่ทารงเดินทางมามีศรัทธาอยากจะไปการาบพระพุทธเจ้าอยากจะไรสนทนาธรรมอยากจะไปรับ ความรู้จากองพระเจ้าเดินทางไปก็จะดูไปแวะกลางทางไปพักแรมก็ไปที่เดียวกับที่พระเจ้าทรงพักแรมแก็เลยประกษาแล้วก็ไปสนทนาธรรมะแต่ไม่ทราบว่าเป็นองพระเจ้า น, นีาก็ถามพระเจ้าว่าทรงถามว่าจะไปไหนก็บอกว่ไปหาพระพุทธเจ้าที่อยู่พร <c oughs> ะเจ้านั่นแหะไม่ได้ว่าอะไรนล้วก็คุยสนทนาธรรเขาก็ถานธรรมะเกี่ยกวกับเรื่องปัญหา โรคแตกพวกอัจจินไตอะไรต่างๆพระพุกเจ้าก็ไม่สรงตอบตอไม่ก็เลยไม่มีความประทับใจในในการเจริญนาธรรมับพระพุทธเจ้าพอเรื่องขึ้นก็ก็ไปบนสาราพระเจ้าก็เดินทางต่อแลวก็เดินทางไปหาพระพุทธเจ้าเดินไปกลางทางก็สวนกับภาษาริบุตรเนาะภาษาลบุต ร, ร ก, ก, ก็เดิน ข้าพระพุทเจ้าเดินทางไปทางทางนั้นก็จะก็เดินาตามไปเรื่อยก็เจอก็ถามทังทางกันว่าไปไหนมาไหนเขาก็บอกว่าจะไปหาพระพธเจ้าอาจารย์รบุยว่าแล้วไม่ได้เจอพระที่เดินอยู่ข้างหน้าเลยเจออยู่เหมือนกันแล้วเป็นยังไงก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหะเพราะสาวริบุยก็ไม่เรียกว่าอะไร อ, อ่างั้นก็ไปเถอะ <c oughs> <c oughs> คนฉลาดดูคนโคนโง่กขาเขาดูออกแต่คนโง่ดูคนฉลาดไม่ออกนี่ใมเหมือนกับคําพูดทีว่ว่าคนคนคนที่คิดว่าตนเองฉลาดนั่นแหละคือคนโง่เพราะจะไม่มีโอกาสที่จะฉลาดได้เพราะเมื่อคิดว่าตนเองฉลาดแล้วก็ไม่ต้องเรียนยไม่ต้องศึกษาอะไรแล้ แต่คนที่รู้ว่าตอนยังโง่อยู่คนนี้น เ, นเขาว่ามีโอกาสที่จะฉลาดได้งั้นถ้าดาบได้แล้วยังไม่ยังไม่พ้นทุกข์แล้วก็อย่าไปว่าตัวเองฉลาดชัวเองตถ้าฉลาดจริงแนละ้วมันต้องไม่ทุกกับเรอ <c oughs> ต่อให้เรียนจบคำทีพระไตรปิฎกเหมือนกับพระอะไรโพธิลัต พระพุทธเจ้าเจอหน้าทีไรก็บอกพอที่นัดพอที่นัดเท่นี้น ห, นหนึ่งใ บ, ใ บ, ใบลานเล่าวอยู่ไปต่อเปล่าตายก็ตายไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเรียนเรียนท่าไว้ในอย่างเดียวจดจำไว้แต่ไม่ได้เอามาเอามาปฏิบัติไม่ได้เอามาชำยไม่ได้เอามาตัดกิเลสไม่ได้มาทำลายสมุกใยความอยากนะครัยให้หมดไปยังทุกข์อยู่ ต้องาเรียนไหวการเกิดแต่ท่านก็ดีนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนหลายๆครั้งเจอทีไรก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งก็เลยเกิดความสำนึกขึ้นมาว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงมีสาเมตตาเราขนาดนี้เราคงจะต้องทำอะไรก็อย่างนี้ก็เลยพิจารณาตัวเองก็เห็นว่าตนยังไม่ได้ปฏิบัติก็เลย ที่มาถึงเวลาออี่จะต้องปฏิบัติถ้าถ้าเราดีจริงก็พทะเจ้าก็คงจะไม่ว่าเราเป็นใบใบด่างเปล่าก็เลยก็เลยออกไปหาสำนักปฏิบัติเซึ่งเป็นสำนักที่มีพระอาหารหันต์ทั้งหมดเลยตั้งแต่พระเทระจนถึงสัมมาเนมเป็นจนท่าอรหันต์ทั้งหมดในทั้งสำนักก็ท่านก็ไปไปไปไปกราบพระพอดีท่านนั่งอยู่ เหมือนอยู่ในศาลาตอนกันแไปหาหัวหน้าก่อนไปกราบพระหัวหน้าแล้วก็จาดตัวจะเป็นลูกศิษยหัวหน้าท่านก็เหมอว่าเขาความ้าก็น้อยกว่าความรู้ก็รู้น้อยกว่าถ้าไตบุดกก็ไม่ได้รู้จัดเจนอะไรนักท่างก็ปฏิเสธไปเพราะว่าคนจะต้องไปศึกษาากาบองอื่นเพราะว่า ท่านก็ไปองค์ที่สององค์ที่สามเพื่อปฏิเสธไปเรี่อยๆจนถึงสั ม, มเณรองค์งสุดท้ายเป็นสัมมเณรสัมมเณรก็เห็นว่าผู้ใหญ่เขาปฏิเสธหมดเราจะไปรับได้ไหมก็ทาท่าจะปฏิเสธพระอาจารย์หัวหน้ า, ามมนท่านก็เลยบอกสัมเณรไม่โปรดท่านเท่าหน่อยเลยไ ม, ม่สงเคราะห์ท่านเท่าหน่อยเลยวสามเณรก็เลยรับไว้เป็นลูกศิษย์ ก่อนจะสอนก็เอามาใช้ด้วก่อนใช้ล้างกระโถน ล, ล้างส้วนล้างบาตรซักจีวรให้ไปหยิบข้าวหยิบของที่ตรงนั้นที่ตรงนี้บางทีก็ให้ลุยลงไปในน้ำของมันอยู่ในน้ําพอลงไปได้ขึ้นทางก็บอกเปลี่ยนใจไนมะ่เอาและ้ะแต่พระเถร่าท่านก็รู้สึกว่าท่านมอบ ก, กายถวายชีวิตให้กับสามเนนเลยสามเนนจะสั่งให้ทําอะไรก็ ยอมกยอมยอ ม, ยอ ม, ยอมรับว่าเขาเป็นอาจารย์ของท่านได้แล้ววันั้นก็ลองดูเขากระทั่งเห็นว่าท่านไม่มีทิฐิเหลืออยู่เลยถ้าเป็นแก้วน้ําก็เทเทน้ําเก่าออกหมดเลยไม่มีเหลือน้ําแม้แต่หยดเดียวตอนนั้นถึงจะเติม น, น้ําใหม่เข้าไปได้เหมือี่เกณฑ์นิกายเซนเ้าก็ก็ขาพูดเรื่องเรื่องน้ําชาในแก้วอนเนี้ย ถ้าจะ จ, าาไไาจะจน้ําชาใหม่ก็ไปได้อยากจะลดน้ําชาใหม่ว่าเป็นไงก็ต้องเท น, น้ำน้ำชาเก่าที่มีอยู่ในแก้วให้หมดไปก่อนเททิ้งใ่ให้หมดอย่าเก็บไว้เลยดีย๋ยวลงแหลือเลยแล้วก็จะได้เอาน้ําชาใหม่เทเข้าไปใจของเราก็เหมือนกันพิธิของเราคือการเห็นถ้าเรายังยึดติดอยู่พิธิความเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนที่จะสอน ที่มันตรงข้ามกับสิความเห็นของเราเนี่ยมันจะมีการต่อต้านกราะฉะนั้นเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์เรื่องการโต้ถีงกันยังไม่มีระหว่างครูอาจารย์มีแต่รับลูกเดียวอาจารย์มีหน้าที่พูดอยเดียวลูกศิษย์มีหน้าที่ฟังอย่างเดียวถ้าอยากโต้ก็แสดงว่าไม่ได้เป็นลูกศิษย์แล้ว ถ้าอยากจะโตหรือไม่ไ ม, ไม่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่าอะไรก็ไปหาอาจารย์อื่น ไ, ได้หรือไปเป็นอาจารย์ของตัวเองก็ได้ก็ไปอยู่องค์เดียวไปไปเอาทิฏิใช้ทีิฏิมงคนนั้นของตัวนั้นแหละไปไปปราบกิเลสของตัวเองได้หรือเปล่ามีสมัยกันก่อนที่จะสอนใครได้เนี่คนสอนต้องมีความมั่นใจพอในระดับหนึ่งว่าคนคนรับนี่เขาเขาใจ้อง เป็นกลางร่วงจากพิิต่างๆาพอที่จะรับกับสิ่งที่เขาจะสอนให้ได้ถ้าเป็นเหล็กก็เหมือนกับต้องเผาเผาด้วยไฟเผาให้มันนิ่มซะก่อนแล้วค่อยเอามาทุบก็จะได้ทำทำเป็นมีดทำเป็นจอบทำเป็นอะไรได้ถ้าเหล็กมันยังไม่ได้ถูกไฟเผามันก็จะแข็งตียาก จิตของคนเราก็เหมือนกันถ้ายัางไม่ได้รับการชาระทุกข์ทางใจด้วยอุบายของครูบาอาจารยา์มันก็สอนยากมันก็ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่อยากสอนเพระนั้นเวลาไปหาพระเนรเนี่ยเวลาไปหาครูบาอาจารย์แต่และองค์นี้ถ้าไม่รับง่างยๆท่านไม่ได้แสดงอาการอยากจะสอนอยากจะให้เป็นลูกศิษย์ มันมีแต่คอยขับไล่คอยคอยปติเสธคอยแสดงความไม่แยแสดูเพื่อว่าจะมีทิฐิหรือไม่ถ้าเราแต่งแสวงถ้าเราต้องการรายจากขั้นจริงๆแล้วเราก็ต้องลดละทุกอย่างในตัวเราไปให้หมดแต่เงินนี่สมัยก่อนเขาสอนกันเขาสอนกันอย่างเนี้ทางธรรมะมันต้องสอนอย่างนี้นมันไม่เหมือนกับทางโลกทางโลกคอยมีเงินจ่ายค่าเราเรียนเขากาสอน จะเรียนหรือไม่เรียนจะฟังหรือไม่ฟังแล้วก็ไม่สนใจเพราะเขาไม่ได้สอนด้วยใจเขไม่ได้สอนด้วยความโลยิตใจก็สอนด้วยอามิสนมินเจ้าห้อยหนึ่งกนเพราะฉะนั้นามาเรียนได้แต่ทางธรรมนี้ท่านไม่ได้เน้นไปที่เรื่องฝนตอบแข่งเพราะผู้สอนผู้สอนที่ผูรู้จริงๆริ่ท่านไม่หิวท่าไม่ต้องการอะไรไม่มีการ ไม่ไม่ไม่ีมมคามอยากจะได้อะไรอยากได้อย่างเดียวคืออยากจะให้คนที่มาเรียนได้รู้จริงๆได้ประโยชน์จริงๆใช่ไหมนี่ถ้าเขาได้ประโยชน์มันก็เหมือนกับหมอที่รักษาคนไข้สมัยก่อนหมอที่เป็นหมอที่อุทิศตนจริงๆรักษาให้คนเข้าหาโรคจริงๆไม่ได้คิดว่าคนไข้จะรินเงินจ่ายนี้อไม่ไม่ริเงินจ่า ย, ยานันนย่นเขาทุกข์แล้วก็ าารกักษาโรคให้เขาหาจากโกาครคภคยค่าเจ็บได้ก็มีความสัดสิิเช่นเดียวกันกับคิบาอาจารย์ที่สั่งสอนลูกศิษลูงหา<ม>ก็อยากจะให้ลูกศิษลกหาได้หลุดพ้นจากทุกข์ต่างๆ ส, สอนด้วยความเมตตาจริงๆสอนด้วยเอาเอาเอาใจใ ส, ส, ส, ส่จริงๆ ก็ต้องท่านก็ต้องดูใจของลูกศิษย์ก่อนว่าพร้อมที่จะรับจริงหรือไม่ถ้าไม่พร้อมที่จะรับมันก็สอนไปก็ลําบากคนที่จะรับนี้ต้องพร้อมที่จะเสียสละทุอย่างเพื่อธรรมะอย่างเดียวอย่างที่พระ้าเนี่ยพูดนะ ว, ว่าต้องสียสละด้านแม้แต่ชีวิตที่เกิดหลวงปู่ขามั้งที่ท่นานะทนบอกว่านิพานีภาคายนี ถ้าไม่ยอมตายไม่ได้ไปนิพพานถ้ากลัวตายมันไปไม่ถึงเพราะมันจะมันจะเกาะ อ, อยู่กับสรางกายอย่ไม่ต้องกลัวตายเพราะความตายมันรอเราอยู่แนละ้ว <c oughs> กลัวไม่กลัวมันก็มันก็เอาเราแน่ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่กลัวมันเราเราสามารถข่ามมันไปได้เราข้ามไปได้ มันไม่สามารถมาทำลายใจของเราได้มันจะไม่ทำให้ใจของเราทุกได้ถ้าเรากลัวเพียงแต่คิดถึงมันก็ทุกข์แล้วมันไม่ทันเจอตัวมันเลยเป็นกระเสือเพียงแตได้ยินเสียงมันกระสั่นยังไม่เห็นตัวมันเลยแต่ถ้าเราไม่กลัวมันทุอย่างมันมันจะไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้เลยนั้นสมหรับเมื่อเมื่อดูแล้วเห็นว่าเออ ใช้ได้แล้วตอนนีน้ก็เลยสอนธรรมะให้ ก, ก็ยกย ก, กตัวอย่างเรื่องอะไจอมตัวที่มีตัวกระปอมมีเข้าไปอาศัยอยู่ในจอมตัวกและมีทางเข้าออกอยู่หกทางนี่กันอาจารย์เบอกถ้าอยากจะจับจอาอยากจะจัอยากจะจับเอ่อก็เดลยวกระปอมกระป๋อมนี่กึ่งกากอะไรเนี่ ก็ให้ปิดทางเข้าออกแค่ห้าทางเปิดได้ทางเดียวแล้วไปเข้าอยู่ทางนั้นเนี่ยทางที่เราเปิดเทงไว้มันก็ต้องเข้าออกทางนั้นมันออกทางอื่นไ ม, ม่ได้นั่ก็รทำเนงก็เปรียบเทียบว่ากิเลสโลดโล ก, โล ก, กดหลงมันก็ออกไปห้าทางมันก็มีทางออกอยู่ห้าทางเหมือนกันออกทางกายหูจมูกลิ้นกายและใจเพรนั้นถ้าอยากจะจับมันก็ต้องปิดแค่ห้าทาง เปิดตาหูจมูกเ้นกลางหรือให้มีอินทรียสังวร น, นั่นเองสำรวนตาหูจะมูกเลื่องกลางอยากไปดูในสิ่งที่ทําให้เกิเกดกิเลสอย่างเช่นมาอยู่ในป่าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการสำรวมไปโดยอัตโนมัติเพราะตาที่เห็นด้วยภาพที่เห็นด้วยตามันไม่ได้ทำให้เกิดกิเลสไม่เหมือนกับไปเที่ยวชอปปิ้ง พอเหแล้วตาลุกวางใจลุกวาวไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดี อ, ดอยากจะได้เนี่ยความอยาก็คือขึ้นเลยโลกความอยากนั่เห็นร้านอาหารมีอาหารชนิดต่างๆก็อยากรับประทานก็ให้ปิดไวส้สารวมไว้อย่างวันคระนี้เขาเด็กให้เข้าวัดนีไงยขาเลยมาถืออินทรียสังวรไม่ดูหนังฟังเพลงไม่หา ในดูอ่านหนังสืออะไรที่ทำให้เกิดความเกิดทางการมารมขึ้นมาอ่านหนังสือธรรมะฟััธรรมะฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มีสติอยู่ที่ประตูเข้าออกประตูสุดท้ายของของกิเลสก็คือที่ใจเข้าดูใจดูความคิดเมื่อกิเลสมันจะมาจากความคิด มันก็คิดไปได้สองทางคิดไปทางสามทางคิดคิดเป็นกุศลอกุศลและไม่ใช่อกุศลหรือกุศลคิดเป็นกุศลก็ลคิดเป็นมรรคคิดคิดภาวนาดีกว่านั่นนงจงกรมดีกว่านั่งสมาธิดีกว่าถ้าคิดเป็นกิเลส ก, ก็ไปคุยกับคนนั้นดีกว่าไม่คุยกับคนนี้ดีกว่าอย่างอยู่ในวัดนี้ก็ตางก็ยังกิเลส ก, ก็ยังเกิดขึ้นได้ การที่จะภาวนาก็รับปัญหาคนนั้นหาคนนี้ไปคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยเรื่องไม่ใช่เรื่องธรรมะคุยเรื่องทางโลกอย่างนี้ก็จะทำให้จิตรุ่งาจิตไม่สงบถ้าจะจะคุยก็ให้คุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องนักน้อยสันโดษคุยเรื่องความเพียรคุยเรื่องสถานที่สงบสงัดยุ้ยเวคคุยเรื่องศีลคุยเรื่องสมาธิคุยเรื่องปัญญา นั้นต้องคอยเข้าดูใจมันจะไปได้สามทางทางมรรคทางมรรคทางคิอเลทางสัญหาและทางที่ไม่ใช่มรรคี่ทางแบบแบบไม่โทษก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่มีให้ไปทางมรรคอย่างเดียวใ ห, ให้ยินดีในความวิเวกให้ยินดีการไม่คุกคีกัน อย่างเมื่อสวันก่อนในนังสติมพอดีเขาพูดถึงเรื่องพระโมคลาเขาก็เลยไปหาประวัติไปหาเกิดเรื่องของพระโมคคลามาซึ่งก็มีมีอยู่หน่อยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสองพระโมคคลาไว้อยู่สามประการด้วยกันหนึ่งในสามนั้นก็คือไม่ให้ยินดีกับการคุกคัอ ให้ยินดีกับการอยู่ตามมันไปแล้ว ก, ก็อีกประการหนึ่งประการแรกที่เขาคือไม่ให้ไม่ให้ชูงวงคือช้างมันชอบชูงวงมันชอบเบ่งทีอเราอย่าไปชูงวงอย่าไปถือว่าเราเป็นคนระดับนั้นระดับนี้มีตําแหน่งระดับนั้นระดับนี้คนจะต้องต้อนรับเราแบบนั้นแบบนี้ เพราะถ้าเกิดเขาไม่ทำอย่างนั้นแล้วเราจะเสียใจเราทำตัวประหนึ่นขื้นปัตตียังไงก็ได้ใครจะรับเราแบบไหนก็ได้คร่านั้นที่ท่านเน้นก็คือการไม่พูดคือกันนักปฏิบัติต้องรักความวิเวกรักการอยู่ตามลาพังของตัเง ก็เวลอยู่ทางนำธนี่ยำทางให้เราจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่เราจะได้ดูใจของเราถ้าเมื่อเราอยู่ที่ที่ ท, ที่ที่เรามีอนะินทรียสองวอนแล้วทางตาหูจมูกยิ้งกายก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เหลือเหลือทางเดียวก็คือใจแล้วตอนนั้นเนี่ยมันจะได้จับกีเลต์ได้แล้วกีเลตออกมาก็รู้พอรู้ว่าเป็นกีเลต์ก็ระงับมันไปแลระงับมันไป ต่อไปต่อไปมันก็จะหายไปมันก็จะหมดไปเองคิดว่าหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้บรรลุนะบางทานจำไท้ธรรมนเนีที่เป็นท่าเรานี้สอนสอนให้กับพระสุวรรไม่ยากเลยฟังปิดท่าทางดูเปิดเข้าอยู่ทางเดียวเท่านั้น ชือโลกโกลงมันเข้าออกมันทางมันทางใจออพอออกมาจากใจแล้วมันมีมีมีมีสิ่งที่คอยล่ออยู่ภายนอกมันก็มันก็รับกันได้เลยเราไปมองเห็นทางตาเห็นอะไรถูกออกทุกใจก็อยากไปได้เสมอหรือเกิดความัเมตตาขึ้นมาก็เป็นความทุกข์อีกแบบเวลาเกิดความยินดีก็เป็นความทุกข์แบบ น, นเป็นความโลก เวลาเกิดความยินร้ายไม่พอใจมันก็เกิดความหงุดหงิใจขึ้นมาก็เป็นความทุกข์ที่วิของเราเนี่ยึุกวันนี้ก็พว่นเกลียอยู่กับไอ้ทางห้าประตูเนี่ยห้าหกประตูจับมันไม่ได้จับมันไม่ทนันสักที<ๆ>ก็ตอนไหนเราทุกข์ตอนนั้นเราก็ไม่ทนันเตอนไหนเราร้องไห้แล้วก็ไม่ทนันตอนไหนเราโมโหโเราก็ไม่ทนันเลยตอนไหนเราหวาดยิ้ ระหว่างวิตกขึ้นหนาวก็ไม่ทามาาาาําอย่างนึ้นหนาวเราเศร้าสร้อยน้อยเาก็ไม่ทําลนะถ้าทามันน่าใจเราจะต้องเฉยสบายพอมันจะโผล่มาต้อ ก, ก็ตัดมันได้เลยเฮยตัวนี้แสดงตัวไม่ได้ห้ามออกมาออกมาแล้วสร้างความวุ่นวายสร้างปัญหา เนี่ยก็ต้องมีสติดูที่ใจเนี่ยเมื่อเราได้ทื่อชื่สนุกสนัดแล้วทีนี้ก็มีหน้าที่ดูที่ใจนี้เั่านั้นหรือถ้าว่าจะให้ดีอย่าไปตั้งลูกลูกลับมันเราชวนมันเข้าไปดีกว่าเอาธรรมะอัดเข้าไปเลยหลอนใจให้เห็นความจริงต่างๆเพราะความหลงนี่มันมันเป็นเพื้อนอยู่ในใจ้ว ควาหลงมันเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้ น, นเราไม่เห็นว่าสิ่งที่เราโลภโลกรธนี่ยมันเป็ น, น, น, น, นเพียงดินน้าลมไฟข้างล่ามีอะไรบ้างในโลกนี้ที่ไม่ใช่มาจากดินน้าำลมไฟลังถามตัวเองนึ่ก็มีท้องฟ้าด้วที่ไม่มาจากดินน้ํามไฟอากาศสภาวะมันก็มาจากอากาศสภาวะท้องฟ้ามันก็เป็นอากาศสภาวะ แล้วก็ใจของเราตัวรูน้นอกนั้นก็เป็นดินน้ำมูนไก่ทางการของเรานี้ก็มาจากข้าวที่เรารับประทานอาหารที่เรารับประทานทข้อาหารมันก็มาจากต้นไม้ใบหาญ้าจากเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อสัตว์มันก็ต้องกินหญ้ากินข้าวกินผักมันก็มาจากดินน้ำมูนไกแล้วของสวยๆงามๆต่างๆที่เราลงไป อยากจะได้กันนะขนาดมันก็มาจากดินน้าหมือใครมีเคสื้อผ้ามาจากเสื้ผ้ามาันก็มาจากดินน้ำมือใครเพชรเหนียนจินดามันก็เป็นมันก็เป็นวัตถุเป็นธาตุธาตุดินว้วมันไม่มีอะไรมันไม่มีค่าอะไรของมันอยู่ในตัวแต่ความหลงของเราไปทําให้มันเกิดคุณค่าขึ้น พอเราใส่เม็ดถ้าเม็ดอย่างนี้คนก็ ส, ะะสัน่นแล้วสยืนยงมองแล้วอิดช้าตาวาวขึ้นมาทําให้เรามีความรู้สึกเรามีคุณค่าขึ้นาีาเนี่คือความหลงเห็นเนสิ่งที่ไม่มีคุณค่าว่ามีคุณค่าเราจึงต้องสอนใจเให้ให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้จะทำงานความหลง เห็นว่าของทุกอย่างในโลกนี้คุณค่าของมันเกิดจากการสมมุติกันขึ้นมาเท่านั้นเองมสมัยตอนเด็กๆเราจะมาชอบเด็กๆสมัยนั้นชอบเก็บซองบุหรี่ซองกลาแล้วก็ตั้งคุณค่าเียบทองก็ราคาหนึ่งพระจันทร์ก็ราคาหนึ่งลุงทองก็ราคาหนึ่งแล้วก็เอามาเล่นกันเอามาเล่นการธนาคารกันบางทีก็เล่นไพ่กันแล้วก็ไม่มีเงินก็ใช้เงินซองนี่แหละโอ้ใจกตงต้องเดินไ แต่ไดยามเสร็จการร้านกาแฟเดี๋ยวกินแล้วทึ้ไงไหมพอเห็นแล้วเครียรเป็นเงินเป็นทองขึนนย <c oughs> <c oughs> น, นมาเลยเนี่ยมาความหลงขนาดเด็กๆมันก็หลงมันก็หลงตามได้แต่แต่คนนี้ไม่หลงอย่างก็ใหญ่มองก็ออก็บมันเอาไปส ม, ยมัยตองเลยแต่เด็กมันหลงหรือเหมือนสมัยนี้เวลาที่้อามีขนม แล้วก็มีของแขนอะไรเข้ามาในในจองมีจับสลกจับฉลานี้เด็ก้ือยหญ่จะได้กันแต่ผู้อใหญ่ดูแล้วนี่จะไปทไําังไงเราะไม่ได้ติดตามขา่าวติดตามว่าของของของชนิดนี้เขาแจกอะไรบ้างก็มีอะไรบ้างฝาเปิดบางทีเปิดแล้วก็โยนทิ้งไปไม่ได้สนใจไปกดดูที่ใต้ฝาว่ามีอะไรบ้างแต่คนที่เขาดู คาจงครับว่าคนที่รู้เนี่ยคนที่ถูกหลอ ก, กหลอกให้หลงว่ามีคุณค่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นวัตถุมันก็มีความจำเป็นเพียงแต่เพื่อสนับสนุนร่างกายเราเท่านั้นเองเราก็ต้องมีดินหน้าเงินใสไว้สําหรับคอย หล่อเลี้ยงร่างกายให้อ่างกายได้อยู่ไปแต่การอยู่นั้นอยู่เพื่ออะไรอันนี้สำคัญกว่า อ, อยู่เพื่อมาหลงกับวัตถุหรือว่าอยู่เพื่อมาให้รู้ธรรมวัตถุให้ปล่อยวางวัตถุต่างๆอันนี้ที่สาคัญเราจึงต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่าง ท, ที่เราไปหลงหอหูี่นี่มันเป็นวัตถุมันเป็น สมมุติไม่ใช่ของจริงไม่ได้ไม่ใช่เป็นความเจริญที่แท้จริงไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงสมบัติที่แท้จริงอยู่ในใจของเราอยู่ในใจที่ได้รับกาปลดเปลื้องจากความกดดันของความหลงความหลงนี่มันกดดันให้เราอย่ามีอยากเป็นเวลาเราน้อยหน้าคใครนี่เรารู้สึกเสียใจนะฮะถ้าเพื่อนเราไม่ได้ดีกำลัง เพื่อนสอบใชั้นได้คะแนนดีกับเราแค่นี้เราก็เสียใจนะ้วถ้าเรามีปัญญาเราก็เฉยๆเขาดีกว่าก็ามันก็เป็นความสามาร ถ, าาร ถ, ถาของเขาแค่เท่านั้นเองเขามีอะไรมากกว่ามันก็มีแต่หินมีแต่มีแต่กวดมีแต่ ก, ต ก, กต้อนอีกก้อนกัวก้อนทรายเท่นั้นเองมไม่ได้มีคุณค่าอะไรต่อให้เป็นเพชรน้อยกะหล่ำมันก็เป็นก้อนหินก้อนอย่างานี้นอย่งเดย ถ้าเราไม่ได้ไปหลงกับมันนะมันไม่มีความหมายอะไรแต่เรายังเรายังหลงติดอยู่ที่เราหลงติดกับพวกของพวกนี้เพราะว่าเรารู้ว่าเราสามารถออาไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ที่เรายังอยากได้อยู่เพราะเพราะว่าเรายังไปหลงยึดติดกับพวกลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆยังอยากจะไปเที่ยวไปต่างประเทศ อยากจะไปะพัก ng, พักโรงแรมก็พักโรงแรมห้าดาวทานรับประทานอาหาระะกันรับประทานอาหารนี่ละแสนสองแสนเดือนวานกควรรแสนหนึ่งนัสนสน้มันเนี่ยพความอยากในในการมาลดนี้เองเลยทาให้เราหลงกับวัตถุต่างๆทกวันนี้ที่เราเออกไปทามาสิหนึ่งก็ไ้เอาวัตถุมาทั้ง ไปได้กระดาษมาทํางานขึ้นเดินเขาก็ให้กระดาษมาแต่กระดาษนี้มันสามารถเราไปแรกสิ่งที่เราอยากได้ทำเองแต่ถ้าเราไม่อยากจะดื่มวายไม่อยากจะซิลล่าไม่อยากจะเที่ยวไม่อยากจะนอนโรงแลนะ้วนี่มันแค่นีอย่าไปทำเลยไม่ได้อยากจะมีเสื้อผ้าอะไรเลยเีย้อย่างเป็นพระก็มีแค่นี้ให้เงมาจะไปทนะํายลางนอกยากก็ามาดูแลรับว่า สร้างแริวตวิหารหรือสงเคราะห์โลกไปค้าไม่มีเหลือเหลือเกินก็ไปสงเคราะห์โลกของผู้เหลือคนที่เขาเดือดร้อนต่างๆแคนั้นเองคนที่มีมันต้อ ง, ค น, องคนที่มีต้องทำแต่คนที่ไม่มีไม่ต้องทำเนี้ยแต่ถ้ามีเมื่อมีก็ต้องออกไปทําเอาเดี๋ยวว่ามันก็มันก็ไม่เกิดประโยชนะ์สองมันก็เป็นเป็นความไม่ฉลาด มีแล้วเจ็บได้เฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อไมีไม่รีอาจจะเป็นโทษกับตัวเองถูกจรผู้ร้ายมามาพ่นม า, นมาที่มาฆ่าเพื่อจะเอาทรัพย์ที่เรามีอยู่เราต้องศึกษาต้องสอนใจเราให้รู้ให้รู้ทานความหน่ยพอใจเห็นเสื้อผ้าขึาน้นไหเนี้ต้องรีบจัดเลยบอกเฮ้ยมันก็เป็นเพื่นฆ่าเสื้อผ้าเขา ดีว่าแค่เพียงปกปิดร่างกายแค่นั้นเองตอนนี้เราก็มีอยู่เซนตตู้แล้วขึ้นไหนมันก็ปกปิดด้านเหมือนกันเรามาวิเศษกันทางนั้นทางด้านจิตใจดีกว่าเรามาวิเศษด้วยการไม่โลภดีกว่ามาวิเศษด้วยการไม่โกรธดีกว่าเราวิเศษด้วยการไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรดีกว่าดีกว่าใส่เสืส้าเ้าสวยๆงานแล้วใจร้อนเุ็นไฟ ใครพูดอะไรนี้ไม่ถูกใจก็ก็ก็เดือดเปนเดือดเป็นแข้งไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรทใจมันให้เย็นให้มันสงบให้มันสบายให้มันเป็นอุเดกขาไม่ว่าเราจะมาสัมผัสมากระทบจะไม่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใจได้เลยอย่างนั้นแหละเป็นของวิเศษ วันนี้เรายังมีอะไรที่กระทบเราอยู่เราควรพรยายามแก้ไขอะไรที่ทําให้เราวุ่นวายใจกงานใจเนียเราต้องแก้ให้ได้แก้ด้วยปัญญาเพราะปัญหามันเกิดจากความขาดปัญญาลดะลดความหลงนี่เองมองไม่เห็นว่าสิ่งที่ทําที่เราไปหลงไปกังวลนั้นมันก็เียงแค่ก้อนดินน้ำหยดใส่ให้แล้วมันก็ต้องเป็นสายตามเรื่องของมัน คือหนึ่งมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครมันก็เหมือนกันทนั้นเดี๋ยวมันก็ต้องไปสู่ขั้นตอนของมันเกิแก่เจียตสองมันก็เป็นกรรมของมันมันมีกรรมของมันอยู่ในตัวของมันมันจะไหลไปทางนี้เราจะพยายามจะดึงให้มันไหลไปอีกทางอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหลไปหรอกมันก็จะไหลไปตามทางของมัน เขาถนัดมือซ้ายเราจะไปให้เขาใช้มือขวาเขาก็จะใช้มือซ้ายของทางนอกจากถูกบังคับจริงๆเขาก็จะใช้มือขวาแต่พอถ้าไม่มีใครบังคับเขาเขาก็จะกลับไปใช้มือซ้ายนะครับเขาชอบสีแดงเราจะให้เขาไปชอบสีเขียวเขาไม่ชอบเนี่ยเป็นเรื่องของกรรม เรื่องของกรรมหนึ่งเรื่องของอนิจจันทร์หนึ่งเราต้องยอมรับแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์นะถ้าไม่งั้นเราก็จะทุกข์ไม่ก็จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะไม่เห็นสองตัวไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาอนัตตานี่ก็คือกรรมนี่ยการการที่คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็เป็นของของเขาอย่างนั้นมันก็เป็นเป็นเป็นเหมือนอนัตตาเราไปควบคุมมันไม่ได้เราก็อยากให้เขาเป็น อย่างอย่างที่เราต้องการไม่ได้เมื่อเราไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นแล้วมันก็จะไม่ทุกข์อา น, นิจจังอนัตตาก็ยังมีอยู่มันก็ยังเป็นอยู่แต่มันจะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราเกิดแก่เจ็บป่วยตายก็กยังมีอยู่กรรมของสัตว์ก็ยังมีอสัตว์ก็จะทำก็จะเป็นอะไรอย่างไรมันก็เขาก็ต้องเป็นไปตามนี้นะครับ แต่จะไม่มาทําให้เราทุกข์ใจด้วยเราต้องสอนใจอัดเข้าไปเรื่อยๆเพื่อจะได้มีข้อมูลไว้แก้แก้แก้ความหลงเวลาความหลังแสดงอาการอองมาแล้วมันเดอแสดงผ่านทางทางโลกผ่านทางความโกรธคางโกรธก็เป็นผลที่เกิดจากความโลภ เวลาได้ไม่ได้อะไรดังใจก็เกิดความโลภความโลภก็เกิดจากความหลงที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนไปโลภนั้นไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าอะไรเลยงั้นถ้าไม่โลภถ้าถ้าไม่หลงแล้วก็ไม่โลภไม่โลภก็ไม่โกรธเมื่อไม่โลงไม่โลภไม่โกรธมันก็ไม่ทุกข์มันก็สบายมันก็มีแต่ความอิ่มความพออยู่ในจิตในใจ วันวันหนก็อยู่ไปเรื่อยๆสบายๆจมกว่าจะหมดหน้าพี่วันหน้าพี่ก็จบร่างกายเมื่อมันไม่ทำงานต้องไปแล้วใจก็ไม่ได้ไปไหนใจก็อยู่ทองมันอยู่สบายๆไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไม่ต้องไปทุกข์ไปหุ่นวายกับอะไรก็ตาม เท็จย่อมมีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดยังมีการเกิดอยู่แม้จะเป็นทุที่ดีทุที่ละเอียดเป็นเทพเป็นพรหมก็ยังเสว่ได้ยังเป็นอนิจจ์เดินจากชั้นพรหมลงมาสู่ชั้นเทพมันก็เหมือนกับจากเศษถือหมื่นล้านมาเป็นเศษถือพันล้านคนที่มีหมื่นล้านแล้วมันเหลือพันล้านนี่ก็ทุกข์นะเรื่อง แต่คนที่มีร้อยล้านถ้าได้ได้ได้พันล้านนี่กลับไม่ทุกแต่คนที่มีหมื่นล้านแล้วได้พันล้านนี่กลับทุกทั้งๆที่ได้จํานวนเท่ากันเนี่ยทพชาเนี่ย ม, ม, ม, ม, ม, มันมันมันมีความเสี่อมเมื่อมันมีความเสี่อมมามันก็มีคว า, ามทุกข์ตามมาแต่ถ้าไม่มีทพไม่มีชาติแล้วมันก็ไม่มีทุกข์ เพราะพระจะไม่มีได้ก็ต่อเมื่อไม่มีเชื้อไม่มีตัวคอยถุดรากไปก็คือความอยากทั้งสามความอยากในการมาลดอยากมาลูกเสียงกินลดสดตระพระความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นด็อกเตอร์อยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นอะไรก็ตด้ความอยากทั้งหล่านี้แล้วก็ความไม่อยากเป็น ความอยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่อยากเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่มีใครอยากเรื่องอะไรอยากไม่จนไม่อยากอยากไม่ไม่ไม่ลำบากอยากจะสบายถ้ามีความนิ้สึกหล่านี้อยู่ในใจมันก็จะเป็นตัวที่จะฉุดลา้าจให้ไปต่อไปเกิดต่อ มันก็ไปทุกขับเมื่อไม่มีแล้วมันก็จะอยู่เฉยๆสบายมีความอิ่มมีความพอมีความสุขความอิ่มความพอของใจนี้ไม่ได้เกิดจากการได้แต่เกิดจากการให้เกิดจากการเสียไปเสียสิ่งที่เกินเสียสิ่งที่เกินความจำเป็นหรือสิ่งที่จําเป็นก็เสียได้เช่นร่างกายเนี้ ถึงเวลายะต้องเสียมันก็เสียลนไปเสียแล้วมันกลับสบายกว่าขณะมีร่างอยู่นี่มันกลับทุกข์นะถึงแม้ไม่เจ็บไายได้ป่วยวันวันอย่างนี้มันก็ต้องคอยหาข้าวมากินต้องต้องคอยออกกําลังกายต้องคอยยืดเส้นยืดสายถ้านั่งนั่งนอนนอนเดี๋ยวมันก็เมื่อยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไหนจะต้องอาบน้ําอาบผ้าไหนจะต้องซักผ้า มีแต่เรื่องมีแต่ทาระให้ทำท่านเพงบอกว่าขันห้าเป็นภาระหนักอย่างนี้ภาระเฮเวมาจากขันทามแม่สำหรับพระแม่สำหรับจิที่อุกคนแล้วก็ยังต้องเป็นภาระอีกแลวต้องดูแลรักษาพระวิชายญิงต้องหาคนช่วยต้องมีพระอนุทอยช่วยอุปบัติาร แต่ถ้าไม่มีร่างกายแล้วก็สบายไม่ต้องกินไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องหาเสื้อผ้าใส่สบายจิตสงบอยู่ในปารามังสุดทั้งตลอดเวลาเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับแล้วเราสบายฝันดีแลือนอนหลับสนิทไม่ฝันเลยอันนั้นก็เหมือนกับเราไม่ต้องดูแลร่างกายไปแปดชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็สุดท้ายแต่เวลาไม่เ วิถมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาที่ไม่มีร่างกายแนละ้วมันก็สบายเหมือนหลับไปยาวเย็นยาวนานไปเลยกางตายคนจรีนก็เหมือนกับการนอนหนละับเวลาเราจะตายเราก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธไปถ้าจิตเ้าไม่มีเชื่อแล้วเราก็ไม่ต้องไปไปตื่นก็ไม่ตื่นไ ม, ไม่ไปเกิดเวลาไปเกิดก็เหมือนกับไปเตือนขึ้นมาใหม่ แต่จำจำไม่ได้ทั้งทั้งตอนที่หลับเป็นอะไรตอนที่ตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ตัวเองเป็นอะไรก็มีคนคอยสองคอยบอกตอนเป็นมนุษย์นะเป็นคนนะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถึงจะจได้ถึงจะจําได้ไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องฝันไว้ไเจ็บค้ายได้ปัวเจ็บก็เจ็บไปเมืนเจ็บที่การใจเราก็คลานาไน ทำจิตทำใจให้สงบเห้เป็นอิเดียขาเป็นเรื่องนี้มันก็จะมั่มากระทบ ก, กับใจเราเวลาตายไปก็เหมือนกเวลานอนหลับแต่นอนยาวหน่อยแต่ใจไม่ได้ตายไปกับการการตายของร่างกายใจก็อยู่คงสภาพเหมือนเดิมเคยเป็นอย่างไรในขณะที่มีชีวิตอยู่มันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นมนุษย์นเมืม่อตายร่างกายตายไปใจมันก็เป็นมนุษย์ มันก็ไปหาร่างมันมนี้ขึ้นถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระมันก็เป็นมันก็เป็นพระนิพพานไปก็งั้นอ่งมันไม่ได้หายไปไนมันไม่ได้สไเสพระนิพพานก็ก็ไม่ต้องการมีร่างกายไม่จำเป็นต้องมีร่างกายเหมือนกับพรหมกับเทพเขาก็ไม่ต้องมีร่างกายหรือเฟรดหรือสัตว์นรกเขาก็ไม่ต้องมีร่างกาย เพียงแต่ว่าสภาพของเขามันไม่เหมือนกับนิธานถนะ้านิพานี่มันมีแต่ความสงบเย็น ม, มีแต่ความอิ่มความพอซึ่งก็พอๆกับท่านโมแต่ท่านโคมเพียงแต่เพงแต่ต่างกันตรงที่โคมมันเสื่อมมันหมดอายุได้มันจะหิวขึ้นมาได้แต่นิพานี้ไม่มีหิวตลอดไปจะอิ่มไปตลอดเลมนี่ก็จะอิ่มไป จนกระทั่งหมดกําลังของฌานเมื่อฌานหมดแล้วก็ที่เหลืก็จะลุกขึ้นมาความอยากในในการก็จะปรากฏขึ้นการมรรคฐานก็จะปรากฏขึ้นความต้นก็จะเป็นความอยากในรูปที่ละเอียดก่อนก็ไปได้รูปอยากในรูปคิดเสียงคิดสิ่งคิดก็ได้เป็นเทพต่อก็ไปเป็นเทพก่อเมื่อความอยากความอยากมันอยากมากขึ้นต้องการมากขึ้นมันก็อยากในรูปอยากเสียงอยาก มันก็ไปเอาร่างกายไปหาร่างกาเยเพื่อจะได้มีตาดูรูปอย่างมีหูฟังเสียงอย่างเร่งของใจมันมีแค่นี้มันก็ขึ้นขึ้นลงลงไปตามบินตามกัรจนสามมันจะลงหลุมลงหลุมดำถ้าผู้ทางภาษาวิทยาศาสตร์ไม่รู้จักหลุมดำทางวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่า ในในจักรวาลนี่จะมีหลุมดำหลุมทาเบียนทะเลที่มันจะดูทุกสิ่งทุกอย่างลงไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ลอยอยู่ในจักรวาลดวงดาวดวงอาทิตย์อะไรต่างๆถ้ามันอยู่ใกล้ใกล้หลุมดำนี้แล้วมันจะถูกดูดไปเหมือนกับเหมือนกับอ่างน้ําที่มีที่ที่รูระบายอ่างน้าเวลาเราเปิดมันขึ้นมาน้ำที่มีอยู่มันก็จะไหลลงไปในรูนั่นเอง พิทานก็ใช้คลายอย่างนี้เนี่ยมันก็จะดูดจิตให้เราไปอยู่ในจิตนั้นไ อ, อยู่จิตนั้นแล้วก็ก็ไม่ต้องเรียนว่าตายปเกิดไม่ต้องหมุนไปเกิอะไรแ ก, ก, ก่ไปแต่ทางวิทยาศาสตร์เว่าไอ้ไอ้หลุมดำนี่มันมันจะทาให้ไปไปทะลุเอกจักรวาลอด้านหนึ่งมนรู้จริงหรือเปล่าแล้มไม่มีใครพิสูจน์ได้เป็นเพียงพิสูจน์ได้แต่ทางทางทางพระพิธานี่นพร ะ, ะพุาธเ้าลลฐานพิสูจน์ได้ เมืเ่อจิตเข้าไปสู่ขั้นนิทานแล้วกนะ็เกิดเหมือนกับลูกล ก, ก๊อนขึ้นมันลงไปในหลุมนะมันก็ไม่ขึ้นไปไหนนะสบายลูกเดียวไม่ไกิดความังสุ ข, ขงังขันจันใจจึงจะดับสังขารขึ้นดับการตื่นแต่งได้ตรงนั้นก็ยังไม่ทืน่นิดตัว คือสังขารระดับนี้ไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นมันเป็นสภาวธรรมมันก็เกิดจากของพระเจ้าของพระอาหันต์ก็มีที่กล่าว่าเราอย่าให้มันปุ่งไปในทางที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาอย่าให้มันปุ่งไปในทางปัญหาความอยากต่งางๆให้มันปุ่งไปในทางไม่อยากไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยาก่เล่าไม่อยากรวย ไม่อยากได้อะไรใช่ไมไม่ถือไม่อยากไม่ต้องการอะไริตใจเราเห็ก็อยากปรงอยู่ปรงอยู่แต่ไม่ได้ปรุงแบบแบบกุฏิชนปรุงเพรเราปรุงอยากอยากจะไปช้อปปิ้งอยากจะไปเที่ยวเนี่ยปรุงามาในทางสนุทรไทย <c oughs> แต่ถ้าอาหารท่านปรงเนี่ยแสดงทำนี่ก็ต้องใช้สังขารดายันเป็นธรรมะปรุงมาทางด้านธรนมะ ความคิดของเราคิดไปในทางธรรมก็ได้คิดไปนในทางธรรมคือท า, ท, ทางสมุทัยก็ได้หรือทางต่างๆก็ได้จะเป็นธรรมก็ไม่ใช่จะเป็นสมุทัยก็ไม่ใช่เส้นการดูแลร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป็นธรรมหรือธรรมมันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องดูแลครับพระอรหันต์ก็ะพุทธเจ้าก็ยังต้องดูแลร่างกายของท่านเหมือนกันนันก็ไม่ได้เป็นกิเลสแต่นันก็ไม่เป็นธรรมะ เรีนม so ิซบอกว่าจิตของท่านจองริเหลนเป็นสรมาติขอิตที่เราไม่มีกิเลสใช่หกิเลสมันทาให้จิตมันมืดไงงเนี้ย่อนมันมืดนะถ้าเราถ้าเราเนียมันทอมันโดนอลังคาเนี้ยมันโดนในข้ายงามมันมันเกาะจิตอยู่ถ้าเราไปไปเช็ดไปทาคาถาให้มันออกมันก็สว่างขึ้น จิตของเราก็เหมือนการถูกความโลภความหลงความโกรธมันครอบงำอยู่มันก็เลยไม่สว่างพอชำระมันจนกระทั่งมันหายไปเหมดแล้วมันก็มันก็สว่างโล่นแต่มันสว่างภายในแต่ในความรู้เส็จมันเมื่อมันมองข้างนอกมันก็สว่างไปด้วยก็ความสว่างภายในนี่มัน มันเหมือนกับว่ามันมันมันมันสะท้อนในตาเห็นว่ามันสว่างขึ้นไปด้วยใคมันที่มันสว่างภายในพอพอละมอยจากข้างนอกเข้าไปมันก็ต้องไปไปสัมผัสกับภายในที่มันสว่างมันก็เลยรู้สึกสว่างขึ้นแต่คนที่ข้างนอกมันก็เป็นมันก็เป็นอย่างเนี้ยจากคนที่มองเหมือนกับคนที่ใส่แว่นดํำกับคนที่ใส่แว่นขาวมันจะสว่างไม่เท่ากัน เนื่องจากว่าเรามัจะไล่รท yeah. uh ี huh. yeah. ่แั yeah. so yeah. uh ้งแาเช่กคือ yeah. ี่นาถ้าเโล้วทมีความเจ็บ่จะตับโกรกก็คือไม่โลกจิตวิาถ้าันโลกก็ไม่หลงก็คือบกเสบหล้าค่ว่าี่ดีแล้วเราไม่โต้องไปต้องไปแก้ที่หลงถ้าเราไล่แต่ว่าจะทำอะไรอะไรที่ทให้เราหลงก็ปัญญาไก็อย่างที่บอกก็รู้ว่ามีนไม่มีอะไรมีค่า เราเป็นหลงนั้นเอ ง, องหลงเป็นแค่ดินน้ําลงไฟนะั้นเองมีอะไรไม่ใช่ดินน้ําลงไฟบ้างที่เราหลงทุกวันนี้หลงแต่น้าลมไฟที่มาผสมผสานเป็นรูปเป็นร่างเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เดินน้ําลงไฟนะเหมือนกับขนมเคกเ้กขนมต่างๆามันก็มีแค่แป้ง น, น้ำตาลนมกับกะข่ายมาผสมแล้วก็ทําเป็นรูปร่างต่างๆใช่ไหม จะเป็นขนมแบบไหนก็มันก็ไ้สี่อย่างนี้สี่ห้าอย่างนี้เป็นหญิงเป็นชายมันก็มาจากดินน้ำลมไฟจะเป็นพีวีดีเป็นหนังสือมันก็มาจากดินน้ำลมไฟเพียงแต่ว่าบางส่วนส่วนไหนมันมากกว่ากันดินน้าำส่วนผสบของดินน้ำลมไฟมันต่างกันส่วนไหนที่มันแข็งมากๆก็ดินมันมากส่วนไหนที่มันอ่อนนี่ก็แสดงว่าน้ำมันมากจนกระทั่งมันเหลวเลยก็ อย่างนี้ก็แบบว่ามันส่วนดินนิ่งจะไม่มีเลยอย่างน้ำนแต่มันก็เป็นแค่ธาตุสู่ในน้ำอยู่ภายในรูปแบบนะครับก็ต้องลองดูว่าตัดได้เพราะปัญญามันมีหลายระดับมันมีระดับที่ขณะนี้เรียกอันระดับที่ได้ยินได้ฟังมันก็ตัดได้ในขณะนี้ แต่พอลูกจากที่นี่ไปแล้วมันจะเอามันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเชียวสามวันตัดไม่แล้วจะต้องสวันอ่ะเดี๋ยวออกไปแค่นี้เดี๋ยวมันึงเดี๋ยวก็อยากจะต่อเทลงฟังแล้วก็ได้ในปัญญามันมีสามมีปัญญาที่เกิดจากได้ยินได้ฟังมันก็มันก็ตัดได้ในระดับในขณะที่มันจําได้ แล้ว ห, ห, หรือปัญญาที่เกิดจากความคิดของเราที่เราไปคิดอยู่เนนรื่อยๆเกิดขึ้นเองเรื่องสิ่งที่เราได้ได้ฟังนี้เราเอาไปคิดต่อเราพยายามจะไม่ลืมเอาไปคิดอยู่ที่เยนี่เนี่ยขณะใ ด, ด, ดที่เราคิดขณะนั้นเราก็ตัดมันได้นี่ขณะใดนี้นเราต้องไปคิดเรื่องอื่นตั้มเนี่ยมันมันจะแทรกออกมาตอนนั้นแหละถ้าเราไปทํางานทําการนี้ยไอ้เรื่องที่เราคิดนี้มันไมเ่เราไม่ได้คิดเรื่องที่เราได้ยินใน้ฟังวันนี้ละพอมีอะไร มันความอยากไว้เอปั๊บไปตามมาเลยไม่เอับที่าอยากจะเป็นปั๊บไม่ทำเลยนะรไม่ใช่ปัญญาไม่ทำเลยนะหลงไปแล้วมีควาสุขน้ำเสียงดีใช่นอกจากปัญญาที่เรี่ก็ภาวนาไม่รับปัญญาเพราะมันต้องทำอยู่ทุกเวลาทุกขณะลมหายใจท่อออก นา ง, นงที่พ้าสอานพระอนุโหเธอจะต้องใจเรียนมานานสติทุดรวมหายใจเข้าออกเธอถึงจะทําลายความตายได้เธอถึงจะไม่กลัวความตายแต่ต่อที่อจะยุ่แย้งได้คามอยากไปเที่ยวอก็เราไม่ชื่ใจางานอย่างต่อเรื่องมันก็มีโอกาสที่จะเล่นล่อมาหลอกเราได้ ทำจะทำนี้ได้ต้องเป็นพระทั้งนั้นส่วนหญ่และคนที่ไม่ต้องทำงานอย่างอื่นถ้าเป็นคาราวาสก็แบบว่างานอย่างอื่นไม่มีมากนะมีเวลาที่จะที่จ ะ, จะเจริญปัญญาอยู่ตลอดเวลามเนี่ยตัดได้เพราะขี้เหร่มันรอรอรอช่องว่างเพาเวลาไหนที่เราไม่เจอไม่กกพิจารณามันจะออกมาทางนนั้นนะ เหมือนอย่างที่เป็นบ้าลานลูกอิฐเลยตอนนี้ท่านพิจารณาไดื่งนี้ว่าจิตท่านหลุดพ้นแล้วนแต่พอท่านไม่พิจารณาครับมันก็จับขึ้นมาได้คอี่ด็กมันรงอ่ามันยังไม่ตายสนิถ้าเราตัดก็ยังไม่ขาเดเึีงแต่ว่าหมา่ว่ามันสลบที่ไปพอมันมีกําลังมีช่องว่างมันก็จับขึ้นมาใส่เราตอนนั้นเราเผลอแล้วแเราเชื่อมันตายแล้ว มันก็ใส่เราได้กาากเกาบคเาบาจากกิดจากการพิจารณาปัญญานี่มาน้อยจากาถ้ามีปัญญามากเท่าไหร่ี่เหนมันก็แจงบางลงไปท่านครับคันก่อนนี้ชลิเตเล่าให้ว่าท่านอาจารย์ได้เมตตาอธิบายเรื่องว่าถ้าเปรตพ่อแม่หรือจะพ่ อ, อาหาันแต่จุดของพ่อแม่เนี่ย ต่างกันกับกับพขอเห็นยังไงแล้วก็เราต้องคนึงเห็นว่ดึงดูดเขาได้ยังงซึ่งอันนั้นลูกก็ทับใจมากอยากให้การเทศซ้าเพร่อจะได้บัน <einfach> ท, ทึกลงไปในนี้และจะได้ออกมาคืนได้เพราะนั้นเพราะมากคือเวลาพูดอันนั้นมันสนแต่ตอนนี้ถ้ามาพูดเป็นสัญญานี่มันก็ไม่ไม่รู้จะออกมาเหมือนเดิมรอเล่าดีไมค่าเหมือนกัน แรารู้ึกว่าท่านเขาถามว่าทําไมพ่อแม่ถึงเป็นหนุ่มเป็นผ้าหันของลูกๆก็เพราะว่าผ้าหานนี่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผ้าหันผ้าหันท่านก็เป็นผ้าหันท่านมีท่านมีประโยชน์กับเรามากคือท่านท่านสามารถช่วยให้เราหยุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่มีใครจะช่วยเราได้นอกจากพระพุทธเจ้ากับผ้า เลยท่ท่านเสียบเทียบว่าพ่อแม่เป็นเหมือนข้าหารก็อยากจะเห็นคุณค่าของพ่อแม่ว่าเหมือนกับเหมือนกับคุณค่าของผ้าอาหารของพระพุทธเจ้าแสดงว่าพ่อแม่ไม่สามารถช่วยให้เราุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ท่านให้กำเนิดเราการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี้ต้องมีท่อมีแม่และการที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นคุณค่าอย่างนยิ่งนะ ก็มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากทางชี้ิตได้เพราะถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ยากที่จะได้หลุดพ้ถ้าเกิดไปเป็นสัตว์อย่างนีน้มันก็ไม่มีทางที่จะหลุดได้นั่นคุณค่าของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ชีวิตเรามานี้ก็เกิดเทียบในทางโลกก็เหมือนกับว่าท่านเป็นข้าหาในทางโลกอย่างนพระพุทธเจ้าข้าหานี้ท่านก็เป็นข้าหสารโลกทางธรรมในทางจิตใจ ท่นให้พ่นนิพพานเราได้ให้เราเกิดเป็นในในนิพพานได้แต่พ่อแม่เราก็ให้ให้เรามีร่างกายให้ได้การที่มีร่างกายของมนุษย์นี้ก็เป็นเรื่องที่สุดละของการเกิดในภพบาติทั้งหลายเพราะไม่มีภพไหนจะมีคุณค่าเท่ากับการได้ ม, มาเป็นมนุษย์เพราะเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธเจา้าท่านก็เป็นมนุษย์ท่านพูดภาษามนุษย์ถ้าเราอยากจะรู้ธรรมะของพระพุทธเจา้าเราก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์ แต่ถ้าไปเกิดเป็นช้างเป็นลิงที่ไปอุปถัทธ์พระพุทธเจ้ า, าถึงแม้ได้อุปถัทธ์ใกล้ิก็ไม่สามารถที่จะรับธรรมะที่ละเอียดเข้าไปได้ก็ไม่ได้รับประเอชน์เข้าชีพควรแต่ถ้าได้เป็นมนุษย์แล้วได้ไปอุปถัทธ์พระพุทธเจ้าอยู่สาเดือนถ้าเรามีบารมีพอที่จะรับได้เราก็จะหลุรันได้อย่างเช่นพระที่ได้ไปรับใช้ได้ไปศาาึกษากับพระพุทธเจ้า แล้วได้บรรลุพระธรรมเป็นเสมอหรือในสมัยปัจจุบันพระที่ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์พระอรหันต์ที่เป็นพระอรหัต์ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากพระก็าสามารถทําให้กาเรียนจบกันได้ถ้ า, า, าไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีทางปฏิบัติไปจนวันตายก็ไม่มีทางเพราะพีเลยกเป็นเหนือกว่าเรามากเหนือกว่าปัญญาของเราแนะ่ เราต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าของบ้านอาหารบ้านนั้นเพื่อเราได้นอกจากเราเป็นโพลที่แสนเช่นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยถึงจะสามารถสอนตัวเองให้บรรลุให้ชนะกิเลสได้ให้ให้พ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตัวเองนอกจากนั้นเราไม่มีนะและผู้ที่จะเป็นโพธที่ตว์นี้มันน้อยมากถ้าถ้าเียบกับจำนวนของของบุคคลธรรมดาอย่างพวกเรานี้ชันเกียบเหมือนกับ เขาวัวกับขนวัว อ, อย่างนี้ตัวตัวนึ่งมันมีเขาอยู่แค่คู่เดียวเท่านันมเมนีขนอยู่เป็นร้อยคนที่เป็นระดับโพธิสัตว์นั้นมันเปนเหมือนกับเขาวสุดยอดของมนมุษย์มีแค่สองสองคนนั้นเองในในจำนวนหลายๆหลายหลายร้อยคนเรืนหลายๆ ห, ลา ย, ห ล, ายลายล้านคนเห็นก็กลับมาตรงที่บป็นคนของคุณพ่อคุนแน่นี้ว่าถ้าไม่มีคุณพ่อกันแม่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไร ถ้าเราไม่มีร่งกายเป็นมนุษย์แล้วเราจะมาเจริญพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้อย่างไรเราจะเราจะมีโอกาสหลุดพ้นได้อย่างไรหรือเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอาหารได้อย่างไรถ้าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่พระพุทธเจ้าก็ยังมีพ่อแม่พระพุทธเจ้าเห็นอคุณบุญคุณสองคุณพ่อคุณแม่อยู่ยังพยายามปลดปลดให้ท่านได้บรรลุธรรมนั้นอย่างน้อยก็ข้าบานดาก็ได้เป็นพระโสดาบัน ท่านแม้ที่ท่านตายไปแล้วแต่ท่านยังอยู่ในฐานะที่พอจะรับได้ท่านเป็นเทพท่านก็ศาสตร์ก็โสดสอนทางทางกระแสจิตทางทางกระแสสมาธิหรือหนึ่งขั้ธ์ษาชมท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเมื่านาามาุดาก็ได้บรรลุเป็นพออาาระอรหันต์เจ็ดวันก่อนมาจากสวรรค์ขึ้น เพราะวุฒิคุณของคุณพ่อคุแม่นี้ใหญ่มากไม่มีท่านแล้วจะมีเราเลยเะนั้นถ้าเราดูแลท่างนี้ก็เท่ากับว่าเราได้อุปถัมภ์ผู้ที่มีศักดิ์ศุลย์หรับเราแล้ว้เข้ากับ พ, พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เลยทราะฉะ้วาาารเราจึงไม่ควรมองท่าการดูแลคุณพ่อคอุณแ แม้จะ ย, ยากจะลำบากก็ขอให้อ๋อใด้บางทีท่านอาจจะ้อตอจุดจุดเหอนน่งเหมือนนี่หรือบางทีท่านไม่ทาตามที่เราบอกให้ท่านามก็อยากไปศี้แฉบางทีเราก็ห่วงท่านมากจนเกนไปจะกรทั่งตายตรงนเป็นลูกบางคยงก้าไปแต่บางทับพ่อบางคับแม่ให้ทำไหนไม่ทาไหนถ้าท่านไม่ทาก็ปล่อยท่านไปเถอะ็พราะท่า น, านเราให้ท่านกินยาท่านไม่อยากกินยาเอาไม่มกินเพราะในใร ถ้าท่นเดินก็กำลังกาถ้าไม่อยากจะเดนก็ไม่ต้องเนถ้าท่านอยากจะเดินเราพเ่ับกันความใ้แรงสัมพัก่อนต้องเป็นคนคอยสนับสนุนอย่าไปคอยเป็นคนเป็นเจ้านายท่านไปดูบางคนนี้เลาเลี้ยงพ่อเลี้ยงนม่เลี้ยงพ่อเลี้ยง่หอนเลี้ยงลูกทําไม่พ่อมาออกับใจก็มคือคนอยู่ด้วยไม่ได้ขอไปอยู่ที่บ้านสุนชลา สบายใจกว่าเพราะรักเพินฟังแต่ไม่รู้ว่าวิธีจะปฏิบัติข่อหน้าปฏิบัติอย่างไรคงปฏิบัติอย่างไรต้องดูดูตัวอย่างของพระที่ปฏิบัติปฏิบารย์ดูต้องเทิดทูนท่านอยู่เสมอต้องเคารพท่านอยู่เสมอแต่ว่าเป็นปติชน เราคือไม่มีไม่มีโอกาสได้ศึกษาได้ยินได้ฟังก็งทำ ต, ตามอารมณ์ของตัวเองพอไม่ได้ดังใจก็เกื่แล้วก็ผ่านึปคือก็ปล่อยสะละเลไม่ไม่ดูแลไปเลยเอาแค่นั้นเ้วดาก็บรรลุขั้นไม่ได้เราะไม่มีเงินไม่มีตังต้งใจ ไม่ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ก็บรรลุรมได้ในระดับนี้ขั้นโสดาบันไดหน้หรือแม้แต่ขั้นอนาคามีก็ได้ถ้าเขาตัดถ้าเขาตัดกรมัานะได้ด้วยความยืนดีในถกับตัด ก, การมว่าปัญหาได้บรรลุได้ถ้าถ้าสามารถปัจจุบัติได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะยาก พรผูท้ที่อย่างพวกเทวดานี่นเขาเขาคงยึดติดอนา ม, มาสคัมากเหมือนพวกคนรว ย, ยนี่จะให้เสี่เช้ามาใส่บาทมาทำธุรนี้ผู้นอนดีกว่าพวเพราะเมื่อคืนนี้ก็ไปเที่ยวเด็กไมีงานเลี้ยงงานฉลองกันแล้พวกเทวดาก็เป็นแบบพวกคนรวยน่เยอะี เป็นการม่มีกายแต่เขายความศิษฐกับลูกลูกทิพย์เสียงิศิษย์ทิของเารื่องอะไรี่เขาจะต้องมาตัดขลาไอ้ลูกทิพย์เสียงทิย์แล้วมาทําจุดให้นิ่งๆสวยๆให้มันสมันยากมันสียนิสัยอเหมือนแบบเาเคยถนัดมือขาแล้วบอกให้เขามาใช้มือานอกจากเทวดาบางคนบางองค์ที่เห็นคุณค่าของคาสอนของพระพุทธเจ้าแลเห็นโทษว่าการติดอยู่ใน ความสุดแม้จะละเอียดหรือแม้จะวิเศษขนาดไห น, นก็มีมีการหมดไปได้ไปเป็นเป็นเป็นทศเทวดามันมองไม่เห็นคนตายนะเวลาเทวดาตายมันมองไม่เห็นแต่เวลาเทวดาตายมันก็เฉื่อหายไปไปเกิดเป็นนุไหมันก็ไฟที่มันสว่างแล้วมันก็ดบบหายไปทั้งหมดไม่เห็นทุกสิงมันก็เลยไม่เห็นความเฉื่อยของ ข อ, ของของพบรูปเขาไม่เห็นคนวามส่วดเขาไม่เห็ น, น, านาการแบ่งการเปลี่นการทแต่มนุษย์ยนีน่นรน เ, รนเราเห็นกันก็ ม, มีรูปให้เห็นชัดมีพฤติกรรมชัดเจน หรือเรื่อยจนที่จนไทยเรารู้สึกไม่ไม่เคยขยับพันทีนะอยู่ช้ำกันซ้ำพันนานๆอะไรเงี้ยท่านยังไม่ได้เราเราไม่ได้ไปไปยึดไปติกับการสอนรู้สึกของการสอนเราเราพยายามทำหน้าที่เย่ของเราแค่นั้นเองเหมือนคนบอกทางคนก็มาถามว่าจะไปปติหลังนั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็บอกเขา แต่เราไม่เดินตามไปดูว่าเขาไปถึงหรือไม่ถึงมันก็เล็กบอกให้ถูกต้องทุกอย่างแล้วถ้าเขาไปไม่ถึงมันก็เลือกหรือในูกสิก็กลับเดินกับมาถามใหม่ครับก็เหมือนทางทางี่ถามพระพุทธเจ้าเลยยัทางนี้ถามว่าท่านก็สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาหนามากบางหลวงก็บรรลุเป็นพระอรหันต์บางอกก็ไม่บรรลุทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ท่านก็ย้อนกลับไปบอกทางท่านถึงก็มีรูกศิษย์ลูกหามีคนมาถามเรื่องนั้นเรืีคุณก็สอนบอกเขาใช่ไหมถามทางว่าจะไปทางไหนอย่างไรคุณก็บอกเขาแล้วคนบางคนก็ไปถึงบางคนก็ไปไม่ถึงแล้วคุณจะทำยังไงถ้เรามีหน้าที่บอกเขาแล้วเขาจะถึงไม่ถึงมันก็เรือ่องของเขาใช่ไหมเราก็เดีอยว้อนมันก็ไม่ได้ทําให้เขาถึงไม่ไม่ถึงอยู่ดีขอให้เราทําหน้าที่ของเราให้มันถูงก็แล้วกัน อย่าไปบอกให้เขาหลงทางแล้วกันให้เราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราสอนสิ่งที่เราไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ดีกว่าอย่าไปอมอย่าไปอายอย่าไปกลัวหาว่าเราไม่ตลาดเราไม่รู้มากสิ่งไหนเรารู้เราก็พูดไปสิ่งไหนที่เราไม่รู้แล้วก็บอกว่าไม่รู้ <c oughs> อาจารย์สอนไปก็ป็นมีภาวะตันหาที่จะคาดหวังอะไรอะอย่างั้นก็จไีแล้วไม่มีแล้วไม่มีภาวะตัหานหรือาอไแล้วแต่อย่างน้อยถ้าได้มีการพัฒนาขึ hmm. yeah. Yeah. ้นเล็กน nice ้อยก็ยังดีไม่เสียชื่อกูบาอาจารย์ถ้านได้ยินก็บอกุกคนก็ดีขึ้นอยู่แล้วพออาจารย์คิดว่าทุกคนดีขึ้น เราเงิยังวยังมาอยู่ก็ถือว่าดีคนถ้าไม่มาก็ถือว่าถ้าไม่มาก็ถือว่าไม่เอาล้วดีาไม่ได้บางคนอยากคิดว่าอยากมาสร้าาน มันเรื่งาาองทางการจะนีไก่อนเนียมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ ไ, ด, ได้อย่าไปยึดอย่าไปยึดติดกับบุรุษไทรเสนให้ให้ยึดติดกับจดหมายที่เขาสมเอามาสมให้ไม่รูู้สึมันเป็นกำลังใจม <c oughs> ัค <c oughs> ะก็สำคัญเนี่ยแต่ถ้ามันไม่มีคำนีม้มันไม่มันไม่มีตลอดบุรุษไทรเนก็ต้องตายเหมือนกันเราก็ต้องรีบ ให้ว่าทยายามจำให้มากปฏิบัติให้มากเพื่อมันจะได้างเข้ามาอยู่ในใจของเราเราอาจารย์ไทยในดีกว่าอาจารย์ไายนอกก็ดีแต่อาจารย์ที่แท้จริงต้องเป็นอาจารย์ไทยในใจของเรานี่สอนของตัวเราเอ ง, อ ง, เอง้วยการเข้าใจสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็ไม่ลืม มันจะจดมันมันจะอยู่กนะับใะเราเหมือนับมีใครถามถามผ้าอาหาร ว, ว่าผ้าอาหารนี่ลืมได้ไหมก็ตอบว <c oughs> ่าท่านเขตอบว่าลืมได้ท่านลืมชื่อคนลืมวันที่ลืมอะไรอย่างนี้แค่ว่าสัญญามาัมนมิจจาได้ก็ลืมได้แล้วก็ถามว่ามีอะไรที่ผ้าอาหารไม่ลืมไหม ถ้าหอกนมีพระวะก็าาถามว่าอะไรถ้าระวะปฏิปธรรมในอริยรสัจอไรอย่าง น, นี้เลยทุกคนอยู่ไนี้เรืนี้แน่นอเพราะมันเป็ น, นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติมันจะอยู่กับเราไปตลอดข้าหันจรึงไม่กลับามาเป็นปฏิปชนเพราะปฏิปชนมันผู้ที่ไม่เข้าใจไม่เห็นในพระในปฏิปธรรมในอริยสัจ ผู้ที่เห็นผู้ที่เข้าใจแล้วจะไม่ไ ม, มีทางรูรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์หรือว่าอะไรเป็นสมุทยัยรู้ว่าอะไรเป็นนักหรือว่าอะไรเป็นน้ดังที่พระเจะสงจัดว่าสิ่งในเรียกสักคือสถาพคดได้ได้ทําเสียทิ้งแล้วทุกข์ที่ต้องกําหนดรู้ก็ได้กําหนดด้วยแล้วสมุทัยที่ต้องละจะโดละแล้วที่โลภที่ต้องทําให้แจ้งก็ได้ทำแล้ว มักต้อตงเจริญให้มากก็ได้เจริญเป็นผลดีมาเพื่อทำจิตในในในอริยอริยสาจสี่นี่ครบเพิ่าาามมอนดีแล้วจิอย่างอื่นก็ไม่มีอีกต่อไปในรหว่าวิจิตังรันมันจะออย่างนกจิในควรมจา ร, น, ร, รนี้ก็เพิ่สุดแล้ไม่มีจิดยเยงอ่นที่จะต้องทำอีกต่อไปนอกจากขอพาะผู้อื่นไปตามการการอัตภาพตามสภาพ แล้วใใครศรัทธาสนใจอยากจะมาศึกษาก็สองเ่าไแต่จะไม่ไปเดินคนนั้น้าคนนี้มาสอนนี่อย่างนี้นะนี่พิธานี่อย่างนี้นะอริยศาสตร์เป็นอย่างนี้นะไม่สอนเสียเวลาแถ้วก็ไม่สนใจก็ปล่อยเขาไปตามด้วเหมือนที่พระพุทธเจ้าเกริกรรมนิดนึงทาน คือในที่ล่ามาตอนต้นคือคนนั้นไม่ทราบชื่ออะไรนะที่เข้ามาต่งเป็นนงสาวเรื่องการมว่าันถือเป็นตัวเศษคนคนแต่งที่เสกเียงัวเศษเป็นแต่งต่ เรื่องเหนี้ออกมาไม่ได้ได้ศึกษาละเอียดเ่าไหแต่ได้ยินได้ฟังมาแต่แต่เข้าใจถึงคติธรรมที่นัอชอบเล่นอยู่ในในเรื่องที่ที่เอามาเล่าให้ฟังก็งจาได้ไม่ได้จำชื่อคนจำจำอะไรจำมันจาถึงคติธรรมที่อยู่ในเรื่องนั้นที่จะตาที่ชืองระดัท่านบารมีธรรมแล้วก็พูดเป็นขาวเรื่อย ท่านีท่านมีความรู้ตามนั้นกับปู่าวิจารริาเห็นมืการบอกเลานที่ท่านรู้ที่ท่านบอกว่ามีความว่าจิตที่ฟังใสก็ดีที่ส้างหมอก็ดีที่ศึกาที่ทำกตัว่้องข้ามต้องผ่านตัวนั้นค่ะส่วนงปู่ขาท่านบอกว่าท่านจิตนาจาทยนะ้องข้าแต่พราองค์ที่ มันเหมือนว่ามีปัญาเหมือนคี้ไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนการเงินไปเงินประจุเสด็เดียวกันมากระจายกเราได้กล่มหนี้งต่างได้สองหนงันคืออนุภามันจะกระจายหายนปหนึ่งต่ามันจะรู้มันไม่สงสัยไปเจอจุดนั้นแล้ไม่ถืแต่การที่จะไปเพ่งจุดนั้นมันอาจจะใช้การวิเคราะห์ต่างเหมือนกับโดยหลักที่เขาวิเคราะห์ขึ้นแต่ละตัวต่างกั อาจจะมีเทคนิคต่างกันจะได้ผลเหมือนกันก็ทำนักเศรษฐกิจตา่างๆที่เขาทานายวิเคราะห์เศรษฐกิจ ข, ของประเทศเนี่ยวาจะเพิ่มขีดเท่าไหร่ทีนี้มันก็อาจจะมีการวิเคราะห์ที่อาจจะไม่เหมือนกันแฟกเตอร์ที่ใช้อะไรไม่เหมือน อาจจะให้นั่นหนั ก, กนตับคนนั้นตอนนี้หนักเราตากันผลิตของคนแต่ละคนก็มีประสบการณ์ในชีวิตมาต่างกันนุปูกขาวตั้งแจะถ น, นเรื่องปู่ข้าวตั้งแต่จะเป็นชาวานาชาวไร่ต้องกจะพาไปท า, า, นานงนั้นเลยนจะพิจรไปอย่าง อ, อย่างมีรูป่งท่านไปเนี่ยาเนียอันมีปัญหาก็จะไปจบานท่านพิจาาที่สติ เขาเเดินไปถึงสุสีขนตกงเขาเลยยืนอยู่ชายคาเขาก็เห็นน้ําหยดไหลถึงลงมาจากแล้วก็ลงไปกระทบกับ น, น้ําที่อยู่กับพื้นแล้วก็แตกกระจายๆๆๆๆๆๆๆๆแตกไาแตกไปเ่านก็บรรลุตรงนั้นมบรรลุแล้วท่นานก็ไม่ขึ้นไปไ ป, ไปที่สุสีไปถามเลยเพราะรู้คํามตอบแล้วก็ไม่รู้จะไปถามทำไม บางคนเห็นเห็นดอกไม้เห็นดอก ไ, ไม้มันมันขามันมันเหี่ยวไปท่านก็บรรลุได้ที่เราแลาเข้าใจหลักหลักของความจริงหกือเห็นแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วอยากไปเรียนบากกัไม่ได้ ที่ต้องเหมือนกันก็คือต้องปฏิบัติเหมือนกัน <c oughs> น่แค่หนักจะเบาจะมากจะน้อยต่างกันคนที่เคยทํามากแล้วอาจจะทําไม่ต้องทํามากคนที่ทํามาน้อยต้องทํามากคนที่กิเลสหนะปัญญาทุกก็ต้องช้าหน่อยละยางนยคนที่กิเลบางปัญญา ปนญยามากก็ง่ายแล้วล่ะบอกาจปฏิบัติงายปฏิบัติ่ายปฏิบัติง่ายติง่าทวปฏิบัติยากปฏิบัติยากจุดใจัทธ์จีเป็นนั่นหมายถึงกาได้ทำไมนะปฏิบัตน ก็กเขได้บับเป็นบาลานีที่ที่มีการจำเป็นต่อสารบรรลุปัญญาบาลานีนะฮะไม่ได้ยินไม่ได้ยินตอาจารย์ช่วยพวกเทคนิคปัญญาทุกอ่านีเทคนิคค่ะต้องส่งไปอยู่กับลุงตาส่งไปอยู่กับลุงตา เลออาจารย์ไ <te> ี่เหมือนกับหลวงตาท่านจะช่วยเที่ยวขนได้ดีอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาใจดีไม่ดุไม่ด่าตอนนี้ก็ได้ไม่ม่อยได้รย์เท่้เราคิดว่าเราเกเรัญาเทศเรต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ดมีแต่ด่างเป็นจ่าคือคือเขาเข้มงวดสุดมาก มันะเรียนหนังสือถ้าเราได้ครูที่ท่านเมตตาคอยคอยคอยสอนคอยคอยติดตามการเรียนขเราเนี่ยมก็จะช่วเดึงเราไปได้ทกันบ้านหรืยังอัานนังสือยัง่างอีกทีความสอย่างนคะในระหว่างที่ตอนแรกๆที่ท่านจะปอยู่กับกลางก็รู้อยู่ว่าอย่งตาท่านดี มากลเลยนะคะหรือว่าท่านดูนบางครั้งเนี่ย่านอาจารเคิดไหมครับว่าคนใดุผิดว่วดดๆๆๆหรอเพราะในประสบการณ์ของอาจารยตั้งจากเป็นขลว่าแล้วรู้ ว, ว่าคนดุนี่เป็นคนใจดีนักะสิ่งนี้ก็ได้ประโยชน์จากคนดุมากกว่าคนใจดีในเรียนหนังสือก็มักจะหาอาจารย์ที่ดีๆที่เที่ยว อาจารย์าารไม่เที่ยวจะไม่ได้ควารมรูร้เพองะบางทีเวลาที่หลองตาดุเน่ยบางที่ไม่ได้ดุตรงานมีบานเช่นกนก็ท่านก็ดูแล้วแต่การรับศีล <irl our. S 1> แล้วจต่คนว่าดุตรงร่าหรือกม่ประโยชน์หรือไม่โทษ ก, ก, ก็เดือดร้าวทขาจนบ้าอะไรเงี้ก็บางทีท่านก็ไม่ดูแล้วแต่คนว่าท่านดูเฉลิมไหวของคน ว่าเขาจะน่านรัได้น่านรักนันต้องเลงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเรื่อไม่ใช่ไม่ใช่เล็งแต่ถูกแล้วต้องว่าต้องสอน อ, อย่างนี้อย่างทรงปัญญาเสทีก็ไม่พูดตรงัญญาพูดกระทบพูดเรื่องคนอื่นให้คนนี้ฟังแต่ เ, เรื่องของคนนี้คนนี้จะมีปัญญานาองเข้มาพิจารณาว่าเป็นเรื่องของตนหอาแต่คนที่ฟังมันต้องน้องเข้ามาาโจทเสอนอ เม่ว่ครพูดอะไรต้องน้อมมาแต่ไม่ได้น้อมมาแบบลบโมโหโธ่โศเพื่อจะมีอารมณ์น้อมมาเพื่อเอามาศึกษาดูว่ามันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับส่วนที่เราบกพ่องหรือเปล่าท่าน้าคนนี้บกพ่องอย่างนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเราว่าเราบกพ่องเหมือนกับที่ท่านว่าหรือเปล่าถ้าเราไม่บกพ่องก็ไม่สนใจเพราะไม่ได้ฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อแก้ไ ข, ขส่วนที่บกพ่องนเอง ฟัเพื่อพัฒนาตัว เ, เองส่วนไหนที่เรายังไม่มีที่ดีเราก็ควรที่จะพัฒนาขึ้นไปส่วนไหนที่มันไม่ดีแล้วท่านที้ให้เราเห็นเราก็ต้องแก้เพราะมว่าท่านจะเทศท่านจพูดถึงเรื่องใคก็ตามเราก็ต้องย้อนโอปนันตโตเข้ามาหาตัวเราเสมอเช่เนแต่ว่าเรานักปากเท่ฉลาด เขารู้ว่าเจลียดของคนนิสัยของคนมั น, น่างกันบางทีสอนตรงๆอาจจะรับไม่ได้อาจจะเอาอายขายหน้าเพื่อนถือนะ ต, ต่อนนตอนน่อหน้าสาธารณชนตรงนี้น่าเป็นูดตรงๆนี้ที่อาจจะอาจจะโกรขึ้นมาเลยก็ได้อาจจะเลิกกันเลยก็ได้ไม่รับถือเป็นเป็นมนุษย์เป็นแม่จ้ า, จางกันเลยใครคนนี้เขาจะไม่อยอมเขาจะติดคุณเขา ถ้าต sure. ิดใจเราะล้วแต่ลคนนี้จะรับได้น้อยเท่นไหร่บางทระดับนึนก็รับได้แต่พอเตินระดับนั้นมันก็ขาดได้เกิดดูว่าคนที่เขาวางหนักนั้ไม่ได้หนักหมดแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนที่มีความคิดในเรื่องการงานครอบคัวอะไรงี้เข้าว่าแต่คนที่มีความสุขสบายแล้ คนไม่เข้าวัดก็มีน่าะคนที่ไม่เข้าก็มีเยอะๆที่มีความทุขเหมือนกันนต่ก็เล้อวิธีอืเป็นการแก้ทั้งนั้นเองบางคนก็ไปซื้อก๊อแท่ก็างก็ไป้อาบอบนวดแทนไปดูหนังแทนไม่ไม่จำเป็นหรอกมันจะเป็นเพียงทางหนึ่งที่เขาแก้นเ่นั้เองอย่างไม่มีเทื่อกคนที่ไม่เข้าวัดก็แ่เองความทุกข์ยางีไม่มีใครไม่มีหรอก เป็นใจเขาไม่มาบ่นให้เราฟั ง, งนะครับม่เหยียบกําลังช่วยฟังสิ่งที่เขาว่าถ้าเราไม่อยู่ที่สริดินิสัยเพราะว่าท้องเขาเคยแก้ความที่ข์ของท้อแบบไหนเขาก็จะแก้แบบนั้นบงคนแก้ความทุกด้วยการเด็กเวลาเราไม่สบายใจก็หาเล่ามาดื่มบางคนก็เข้าบอา่อนการเพื่อที่จะเลิกปัญหาเลิกเรื่อง ร, ร, รางตา่างๆ มีน้องคนที่เขาบอกว่าเขายังอยากจะเกิดยังรู้สึกว่าอยากจะเห็นว่าม่ตายเกิดฟันแล้วตกใจดีกไม่คอไม่ดีเลยนสดความคุ้มความหลงมากขนาดไหนแสดงควาหลงไม่ไม่ไม่ไม่ยังไม่ดีกันอย่างนี้นี่อภิชาเป็นกลุคนที่เข้าวัดเป็นคนที่เกาฉลาคนที่เข้าหาทาง อาที่แก้ความทุกข์ที่ติดเหมือนกับคนไม่สบายต้องไปชอบโรงพยาบาลมีกับใจคลินิกหมอเชี่เแต่ตก็อมองตรงกันข้ามกับเรายนะก็มองเหมอว่านี่เอ๊ะอะไรแตามมา่าตา ม, มาที่ติดกับมิจาทิฏฐิเ <c oughs> มัอนต้องตรงกันข้ า, ามสมากับมิจฉาอยู่ในส่วนบ้าน อาจจะมงว่าค e, น<อ>ที่ทเข้าวัานี้เป็นพวกคนอ่อนแอหิวใจไม่มีไม่มีไม่ตอไม่กล้าตอบไม่กล้าไปเทา่ก็ดูอรเนข้าวัดกับคนที่ไม่เข้าวัดกันเยอะมากเลเ้าวัด0น้อยมากน้อยมากก็เขาพวกคนเข้าวัดจะพวกเขาวัวพวกคนไม่เข้าวัดเือนพวกพวกงู คนเข้าวัดอย่ที่เป็นผ้าหลัก็ไม่คอยู่ในวัดอยู่นอกวัดกันะนะคนที่เข้าวัดก็ไม่ได้เป็นผ้าหลังตอนตอนตอนที่เข้ า, าใหม่ๆก็ไม่ได้เป็นผ้าหาลังแต่อยู่ไปนานๆแล้วกลายเป็นผ้าหลังขึ้นมาได้แต่อยู่นอกวัดอยู่ไปจนวันตายก็ไม่เป็น เป็นาการแก้ความพุกขที่สุดทางต้นแก้ทางหนคตอบนี้ก็เห็นอยู่แต่เราไม่มีปัญญาพิศารณาให้เห็นเลยดูด้วยสนอย่างเลนะตัดนานเลครับตั้งแตนน่ช้าเลยครับ ังจะอได้ยินนได้ยินครับได้ยินนะได้ยินได้ยินคนน้อยคนน้อยเนี่คนน้อยถ้าเหลือเชื่อการูเลยลวังไม่ตายคนบ้านยากโง่ยากมั่างวัตถุกั แต่ฝ่าหันมาทีช่วยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขโมยกะลาหรือข่าวดีอยู่ถ้ายังช่วยแม่เขารม่ทด้ก็ทำตัวเราเป็นตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเขาเห็นดีเรื่อยเขาก็ ไม่เห็นก็ไม่เห็นแสดงว่าเมฆหมอกที่มันบังมันหนามากแสงสว่างไม่สามารถเลื่อนได้เป็นเรื่องของกรรมเป็นหล่อที่สอนหล่อเราต้องเข้าใจว่าหลักกรรเรื่องของกรรมหนึ่งเรื่องของนิจกรรมเรื่องของนิจกรก็คือเรื่องของน้างกายไม่ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องเจ็บต้องแสบเจ็บตายนิจกรรมจะแก้ไม่ได <st <ere starred> ้เรื่องกรรมของท่านเราก็ไปแก้ไม่ได้เหมือนกัน มิษาทิสติก็เป็นผลของความเห็นแก่สามาทิสติก็เป็นผลของบุญเพราะว่าคนที่มีมิจฉาทิสก็จะทุกข์ที่กับคนที่มีมิจฉาทิสต ม, มันก็ยิ่งส่งเสริสมความหลัยิ่งตอกย้ำความเป็นมิจฉาทิสตให้มีทางแน่นแน่นน่่น แ, แ, แ, แฟงมากยิ่งขึ้น นคนทีททุ่่คนที่มีสมาธิสิก็มักจะเข้าหาคนที่มีสมาธิสิก็จะช่วยส่งเสอนว่าคนที่มีความรู้มากก่าเราก็จะดึงเราได้ผู้ะพเจ้าจึงบอกเวลาเลือกคนให้คบบัณฑิตอย่นะี้และท่านก็พูดได้ว่าถ้าหาบัณฑิตไม่ได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าอย่าไปคบกับคนทางคนนอก พอเราจะขาดทุนเขาจะสุดรากเราลงไปถ้าเราจะถ้าเราจะต้องพบเป็นต้องอพกกับพ่อกับแม่เราก็อย่าไปให้เขาสุดรากเราไปตามทางหรือแม้จะเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็สอนให้เราไปเล่นการเชานวันนี้ให้เราไปกินเหล้านี้เราไม่ทาําตามไม่เป็นการในล็ดสีสิ่งไรที่มันผิดกับหลักธรรมไม่ต้องทำํำ ทำนายูกคนหมายถึงว่าเราไม่ดูแลท่านในยามที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือท่านต้องการต้องการความช่วยเหลือนี้แหละปล่อยปากเล่าเลยนี่ถึงจะเป็นการทำนายลูกคแต่ถ้าท่านชอบกินเล่าแล้วชวนเราไปกินเล่าเรื่นี้เราไม่ใส่ไม่ไม่ใส่ก็ได้แต่ไม่กินท่านยว่างเน่ยเราก็ไม่กินหรือไม่ดีตอไปท่านอาจจะไม่กินตามเราก็ได้อเอ อ, เ อ, อลูกเรามันเด็กเลย เนี่จะเราจะเราจะสอนพ่อแม่ได้เราสอนด้วยวิธีการปฏิบัติของเราทำตัวเราเป็นตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรร้องทำตัวเป็นรรพระองค์เป็นตัวอย่างต้องปฏิบัติจนหมดทนแล้วพอหมดทนแล้วรงนี้บรรดาญาติทั้งหลายก็เกิดศรัทธาปฏิบัติตามมีเจ้าชายออกบวชทีตั้ง5รูปพร้อมๆกั น, นคือพระอามนีพระอเมรุทธะบวชพร้อมๆกัน เพราะัตว์ทางมีเอแต่พระราจการมันจะเอาบวชพวกนี้จะเอาบวชทางนี้ไปไม่มีทางก็เหมือนในราชวงศ์จักรีนี่มีราชการที่เออกบวชเินพระอยู่ตั้นาไม่หุดสงารพอหลังจากนั้นลูกๆละลูกๆใน้านี้ยอบวชกันเพเพเระองค์ปาตั้งใจราชการที่เสียมาไม่สงสมอเนื่อเพอระองค์้องการปฏิบัติการปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี มันก็จะทําให้คนอื่นเขาเยี่ยงอย่างถ้าเราปฏิบัติตัวอย่างไม่ดีเขาก็เอยี่ยงอย่างตามเราเหมือนกันถ้าเรากินเหล้าเมายาจัดปาร์ตี้อยู่ทุกคืนทุกายของเรามันก็จะทําตามเรานอกจากว่าเขาเขามีสมาทิฏนะแล้วเขาจะไม่ทําแต่คนที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิคนที่ยังต้องเรียนแบบคนอื่นเขาก็จะดูคนอื่นคนอื่นก็ทําอย่างเราก็จะก็จะทําตาม ง <c oughs> ั้นต้องแยกแยะนะพ่อแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จิตใจของท่านก็เป็นส่วนหนึ่งจิตใจกันเป็นเรื่องของของของกรรมของบุญของท่าน ใ, ใจของเราก็เป็นเรื่องบุญกรรมของเราท่านบอกว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดนะเรามีกรรม เ, มรเป็นเผ่าพันธุ์ไม่ใช่พ่อแม่ของเราเป็นผู้ให้กำเนิดใจพ่อแม่ให้กำเนิดเพียงแต่ร่างกายเท่านั้น แต่ใจของเราเนี่ะใจสูงใจต่ำใจใจดีใจชั่วนี่เป็นบุญกรรมเป็นพิฆาตเสมอบุญกรรมที่เราทํามาเป็นตัวที่ทําให้เราดีหรือเชื่อหรือต่ำหรือแม้จะเกิดเปลูกของพระเจ้าแผ่ดินก็ไม่รู้นะครับว่าจะถึงกลางถึงไหไปถ้าใจไม่สึงมันก็ไม่สูงหรือแม้จะเกิดเป็นลูกของขอทานแต่ถ้าใจสูงมันก็สูง ที่บอกว่าพันเพื่อนที่บอกว่าลูกไม้ส่วนไกลต้นไม้ไก่ต้นนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไร้มันก็บางส่วนมันกำลังมีและเป็นแหล่งกำลังคนไปอาจจะอาจจะมีกระดหรี่สายคล้ายคนเัิแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเกี่ยวพันกันหรือเคยทากรรมร่วมกันมาไม่น่าจะอันนี้น่าจะไม่รู้เปาอาจจะมีก็ได้เพราะท่านบอกว่าถ้าอยากจะเกิดแล้ว ไปเกิดชาตหน้าแล้วเจอกันได้เป็นคู่ร่วมกันท่าก็บอกว่ า, วาต้องทําบุญเท่าๆกันเขี่ยทำบุญ เ, เท่ า, ส า, ส ท, าทำานเท่ากันรักษาศีลเท่ากันภาวนาเท่ากันถ้าคนนึ่งทำมากกว่าคนอีกเนี้ยมันก็จะไม่เจอกัน เมือนรถที่วิ่งให้วิ่งความเร็วเท่ากันก็เกาติดกันกัได้ถ้าคันนึงวิ่งช้าอีกคันนึงวิ่งเร็วเดี๋ยวมันก็ห่างกันห่างกันไปปรยัดปรยากเจอกันเลยไม่เบื่อกันบ้ากเหรอไม่ผมฟังใหม่ๆดีกว่าฟังอบไปนานทาเท่ากันเรื่อยเลยคนละซึ่งกันลทีหละ ไปละแต่ข้างหน้ามันก็มีมีมีคนให้เจอเยอะแยะแต่ทำานก็ไม่เคยคิดจะมาเจอญาติโยมก็มาเจอโมันเจอของมันไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหละน้ําดีมันยิ่งมันจะวิ่งเข้าหากันน้ําจะวิ่งเข้าหาน้ําน้ำมันจะวิ่งเข้าหาน้ำมันมันไม่ปรปงกันคนดีจะวิ่งเข้าหาคนดีคนไม่ดีเขาก็จะวิ่งเข้าหาคนไม่ดี พราะจากความหลงมันหลอกเราให้เราวไปหาคนไม่ดีโนลงบางทีเห็นลึกล่างหน้าตาแล้วถูกอกถูกใจแต่ไม่ดูใจเขาก่อนเพราะใจเขาร่ายขนมไหนไม่ได้พออยู่กัน จ, จริงๆมางทีก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะใจมันไม่ได้อยู่ในระดับเดีวยวกันก็ต้องแยกทางกันแล้วก็ต้องคนอยู่กันแบบ <c oughs> อยู่ทนแล้วทนอยู่ไหครับาา อ, อาจารย์นะคะลูกสาวเขาทำทำงานเนี่ยนะคะแล้วเขาเทนนาราชการเนี่ยก็มีการ collection แล้วเขาต้องไปเกี่ยวข้องในการเ ป, เ, ปเป็นในฐานะผู้ให้เนี่ยเขาจะต้องรับอะไร มีความผิดอะไรมีส่วนใน่วมทาในเรื่องที่ ล, ละเอียดถ้ามี ส, าส่วนร่วมด้วยมันก็มันก็มีมันก็มีถ้าเรามีส่วนร่วมด้วยแต่ถ้าเราไม่มีส่วนร่วมด้วยมันก็ไม่มีคือไม่ได้เป็นผู้รักแต่ว่าเป็นเป็นเจตนาของเราไม่คือต้องทําไปในหน้าที่ถ้าเราทําตามหน้าที่มีหน้าที่เต็มก็เต็มไปเต็ <S <S <ry> มไป ก็คงใจทำหน้าะี่ไปคุณมีอยู่การทมเนี่ยท่านอาจารย์เขลูกพูดตรงเลยหน้าที่ในการอนุมัติแบบของกรทมเนี่ยถ้าไม่ให้ถ้าเราไม่ให้เงินเขานะคะเขาก็ไม่เขาก็จะหาข้อผิดมานี่แทนแทนนั้ที่ทำแบบเขาลูกท่านอาจารย์นี่เขาก็แค่เดียวกันค่ะจําเป็นทุกไม่งั้นงานจะมก็มองแบบว่าเหมือนกับซื้อของอะไรแบบนี้ซื้อของก็ต้องเสียเงินซื้ออยากจะได้ของชิ้นนี้ก็ก็ต้องจ่ายเงินจะจ่ายด้วิธีใดก็เป็นการจ่ายเงินเหมือนกัน แต่มันไม่ใช่ของติดบกไม่ใช eh ่เครื่องไม่ใช่ของติดกฎหมายกันแล้วกัน จรงงั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้งานะได้งานอไไม่เดินงานไม่เดินาไสดกตอหย่อนก็อเราไม่ได้เป็นคนทำสุทธกคนซื้อข้อเรียกเงินอเนไปทสเราเป็นคนซื้อของ้เรียกราคานี้เรามีเงินจ่ายเขาแล้วก็จ่ายเขาไปแล้วเขาจะเอาเงินนั้นไปเสดไว้เขาก็ไปเป็นเศษของเขาเองเราไม่ได้ปเป็นเศษของเขานันก็แปลกใจนะอย่างของเชิงแทงทำอ่ะ เวลาไม่เคยต้องให้ค่าเลยพวยยกีลรเรื่องกันมีแต่ว่าเจ้ารืที่แย่งกันทำเลยแย่งแย่งกันทำทุก้นทุ่นมารามเนี่ยเป็นสิ่งสคัญก็สแต่ค่าบางทีก็ไม่ไม่เอาตำรวจบางทีเรียกรถกอนเห็นทานนั่งเขาก็จปเลยนกเลเลย คือเราอยากไปทาก็แล้วกันเขาทำเช่นเราต้องขับรถผ่านผ่านทางนี้แล้วก็จะเรียกเก็บอย่างนี้พอเราต้องการต้องไปเราก็ต้องจ่ายต้องไปอันนี้ไม่ได้เป็นความผิดของเราความผิดอยู่ที่คนเขาเรียกจะไปส่งเสริไม่ส่งเสริมเพรเราต้องไปอะ <c oughs> แล้วต้องไปทางนี้ไปงั้นก็อยากเราก็อยากไปล้วก็อยากไปแต่มาที่มันไม่ได้เป็นความผิดของเราเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะไปคิด ทำบ่าไปคิดไปโกงไปอะไรกับใครเรามีหน้าที่เราจะต้องเดินทางจากตรงนี้ไปตรงนั้นและเมื่อตรงนี้เขาขวางทางเราจะไปได้ก็ต้องจ่ายจ่ายจ่ายเงินให้เขาถึงไปได้ก็ขึ้นทางหลวงก็ยังต้องจ่ายเหมือนกันถ้าไม่เราจ่ายได้ไ ม, มันกไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาบ่าที่ ที่มันกรนอุกสระสับมันเป็นปัญหาแบบของของวัยพอมันมีวัยมากขึ้นมันก็ขัดตรงนั้นยกตรงนี้่อต้องคอยจับคอยดูคเมื่อะไรปคอย่อนคางไปางตอนน้ตอนนี้จะนั่งเบนั่งเมก่อนนี้นั่งาเทียนานแล้วมันจะเจ็บขี่ขาหมอก็เลยแนะนาว่าให้นั่งพอนท้าดีกว่า พอดีพอดีนั่งตรงนั้นมันนั่งค่อยเท้าได้เนั่งตรงนีมาไม่ได้ตรงนี้มันอย่างน้มันไม่หมาแล้วพราะมนก็ดูไม่ไน่าดแ่้ที่หูคือตรงเริเวที่พ่อจันนั่งเวลาที่ผู้ผมเนี่ยฮะมันไม่ค่อยเท้าไม่ได้แต่นั่งตรนี้ท่านันท่านเท้าไม่ได้ไงแล้วก็เลยนั่งตรงสองสมชั่วงเขาจะลาบากคือมันก็มันไม่ได้ทุกวันมันก็พอจะ เป็นสังเป็นเป็นเป็นอะไรที่เทียนอนั kah, ่งเท้ากได้น่ครับเขาไม่เป็นไรหรอกก็ก็พอเขาเขาทำได้เวลเราพอที่จะก็แว่าแบ่งเวลาให้ได้คือตลอดเวลาอย่างนี้ทุกทุกทุกาที่ทุกงานก็ต้องนั่งแบบนี้ก็หม่ไหว มีรเพมาจานเอยก็ไม่ได้มาทุกวันนีก <laughs> ่ก็เดือนเดือนแค่มาครั้งหนึงไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ไหวก็บอกไม่ไหวตรง น, นี้ต้องบอกยังไม่ได้ีนน้าเลยน เ, นเลยดิ น, เน่เ น, เนกันม <laughs> ่ีนีนนก ขึ้นมาเห็นควางสวยฟังสี่ตัววิ่งมาเขาเาเลี้ยงมันแล้วก็มาขว้างเขเขาขยายพันธุ์ก็มีพพันธุ์แม่พันธุ์แล้วเาอยู่ในธรรมชาติขเขาเลยตอนต้เขามาแล้วก็มีอาหารอะไรอย่างงพอมันโตแล้วคิดว่าเขาเลี้ยงตัวเองยากเาจะปล่อยบางส่วนเขาก็จับไปัปล่อยไม่ในป่า ไอ้สตัวที่วิ่งอยู่นี่ก็หากินเองหรือเปลาฮอไเาดึมาเขากระด้เขาปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติอสี่ตัวนเยอะมันคนยังไม่เข้อามาตองก็ค่องเม็เล่านค่ะทมหาท่านแงกวาที่น้นมากเลยนะคะข้นแบบารโลเหมือนร้โลเหมือน้องเลย เนี่ยแค่จริงๆแล้วคนที่ชอบเห็นจังหวะ เ, เด็กที่อื่นเรามาอยู่ขออยู่ที่ที่ได้ใช่ไหมใช่แต่ว่า ม, มันไม่เหมือนกับว่าของครูบาจารย์ไม่พรงหรือมาขออยู่กับท่านอารย์ไดถ้าบวชมาแล้วคือในเ่ว้องต้นเนี่ยจะให้ทับง้ามก่อนทั่ระยะก่อนแต่ส่วนคือเป็นวัดที่แค่เราต้องที่นี่มันเป็นส่วนส่วนต่อ น, นี่งจากวับใหญ่ ถ้าเรามาอยู่ที่ใดแล้วมันจะเป็นคนเวลาเนองหน้ากันถ้าอยู่ข้างล่างให้ทุกที่ให้รู้จักคนในระดับข้างล่างนะเพราะมันต้องทำกิจบางอย่างร่วมกันเช่นบินกะบาร่วมกัน ก็องขมงงูให้กำต้องลงพงันธนโลกด้วยัแต่ข<ต>ึ้นขึ้นมาปฏิบัติกรได้ไดนะแต่ว่าอาจจะพักอย่างอย่างที่อาตมาเนี่ตออยติ่ข้างล่างแล้วว่าช่งงวงกลางวันก็ขึ้นม า, ามานแล้วตอนบ่ า, บายเยนก็ลงไปแล้วก็ลงไปทาวัดไว้พระส่งง่ววข้างลางง่างกัพกะข้างลาง่างาแล้วก็อาจจะอยู่ไปสักระยะหนึ่งแล้วถ้าอยากจะขึ้นมาอยู่ท้าวรอนไปก็ได้แต่พที่อยู่ดีใหม่ๆก็ค่อยให้เขาอยู่ข้างล่างก่อน แล้วพอเขาอยู่จ ก, กระท่งเคยชินกับกิจกรรมกับกับฟ้าที่ข้างหน้านะฮะเขาอยากจะติดก่เขาขึ้นมาอยู่ข้างนาแ้นา แ, แต่ต้องบอกว่ามันลาบากนะเพราะว่ามันไฟฟ้าก็มีน้ ก, ก, นนก็จะอยมมนอน้ำเสีนองแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ชอบความสงบแล้วก็ยินดีที่จะต่อสู้ติดอนี้ก็จไม่มีปัญหา ถ้าถ้าบวชแล้วไปไปอยู่กับวัดของครูบาอาจารย์ได้นันก็ได้ประโยชน์เนองจากว่าเขาไม่มเขายังไม่เขากษากันมาก็ไม่ได้เทศสอนพระนอกจากกองทัพกสอนอย่างแบบที่สลาันเที่นองหล่ใสอให้ทำเองน้นอกจากจะตอบปัญหาได้ไม่ีถ้าสงสัยอะไรก็ ท, ท่านใดท่าน จ, จะเรียกมาสอบถามได้ไเือครพราะตัวเองก็ไม่ค่อยมีเวลาของตัวคนใาก็จะขอร้องว่าไม่ให้ใครไปหาพิสูจน์แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้เราตามที่เจอันศาลากลางก็ถามใ น, นมตอนนั้นประสาเพราะเี้เราจะไม่เวลาที่จะคอยทักขอยาวเวลาเราขาร่างกายเ ก็ปล you know? ่อยคายไปได้ที่เตียงนี after, <Yeah, like ้ทั้งวันจะไม่มีอึเปลี่ยฝากมาได้แล้วก็ส่งนยาันนี้ก็ถือท่าฉันอยู่ระบบดีทะลุก็เลยแค่ั้องอ ใกล้ๆกันแั้วเนย60ได้ยัง60ปานแล้วใช่ไนี่เราก็60ยากครับขาเก็ปวดธรรมดาอยู่นั่นอยู่บ้านไหนก็ได แต่ไม่เคยมีแรงที่มันเทพรบนแรงมากบางบางบางบางเวลาก็แรงแต่เสงวนก่ลาก็แรงไม่แน่บางทีนั่งที yeah> ่นี่ไม่ได้เลยถ้าลมแรงที่นี่ก็เสียบแต่เสียแบบเียบข้างหลังเลยขอม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ของไม่อะไรอะเสก็แห้ง ก็ไม่เสียหมดอ่ะแค่เสียบางส่วนนักศึกษาก็มาทางนี้เพือเียีด้เอาได้หรือล่าได้ดีหรอเป่าได้ดีดีได้ดีได้อีน้าจากังกฤษหรอเปล่าเะา อันนี้จะดีจะ่สงันเียงค่ะใครไม่เอาเลยก็้เิดไม่เพีอย่างเงี้ยแดงๆนจะไม่แล้วแต่งตอันองไม่ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นอย่านมานานแล้ว ตอนี้สีดำเลยใชไหมคะส่วนาจะสุรคมาารีเะนี่เ็นกันไอันนี้เพด่พดอัน่เดินงองเยใครจยเ่ใครจะเอาี่เอาะี่นอาครบช่ชุดหนชุดนึง ที่ตุงใ Eller, ัดการให้จัดกา้จดกาขึ้นเป็นวง้นเสร็แล้วเมงคุณจะลอ่ะี่มทีสเล่น หนึ à, ่งช e mm ุดดินยเป็นกะดานทอมดแล้วตอนนี้ถึงมีชุดดินสอสามนี่ครับมีแบบยี่สิบแปดมีแบอ่าใครไม่ได้ผมให้จีนทองมีเงินเจ็ดส่วนแล้วนะครับยังไม่ได้ด้วยได้สิ ไม่ติดแล้วต t ดแล้วติดแล้วติดแล้วติดแล้ว ปปีวอกีอ่1ปีวอตายอยเป็นติกาปีตายีเป็นิการุ่นไหุนน้เหรอรมาไตัวเลขั้น6ถ้ายังมีชีวิตอย่มันก็นับไปเรื่อยๆถ้าไม่มีชีวิตยมันก็มนยุดนับ แใจน้อยแล้วใจนี่ยาวมันรู้จีราแล้วอายุใจเรเนี่ยาว้ร่างกายเป็นเหมือนเสื้อผ้าช่นนี้เาใจไม่หยุดจางใจไม่หยุดจางเขาแค่ข่างกจไม่ยดจก็เอาใจใจจีร <łość> <S 2> <S 2> เรียนถาเาบอกว่าไม่ท้ใจคือว่้าใส่ข้าวคอว่าิติดีกับติด่ีนะคะติดีกับติดชั่วยต่าเวาถงวันน้ได้ังควาเห็นจากผู้เลือดจางหลายๆคนนะคค่อนา ควาดีนี่หมายถึงสิงที่เราชอบใช่ไเพิ่งมาได้เงินเดือนขึ้นหรือใครชมเราอยาู่ใช่ไหมเรื่องดีส่วนที่ไม่ดีก็หมายถึงเวลาโดนจัดเงินเดือนโดนหน้าออกจากงานหรือโดนใครเขาตำหนิตีเตียงยินทางเราใช่ไถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องไม่ติดทั้งสองอย่างเราต้องยอมแล้วว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับฝนตกอย่างคื่น เราอยติดกับดาบอย่างเดียวจะกระทั่งรับผลไม่ได้เลยหรือไปติดกับผลจะกระทั่งรับดางไม่ได้เลยเราต้องรับได้ทั้งสองอ่างเพราะมันไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราที่จะไปควบคุมมันทั้งได้ทนายก็จะไล่เราออกแล้วก็ไปห้ามเขไม่ได้พครดาเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ใครจะตัญญาคาเราก็ไปห้ามเขไม่ได้ใครก็จะชงเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้ แต่ขอให้เรามีความหนักแน่นอยู่กับความจริงตลอดถึงว่าเขาชมเราว่าเราดีแต่เราไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะไป ด, ดีใจเพราะว่าเราไม่ดีแต่เราไม่ได้ไม่เราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเราก็ไม่ต้องไปเสียใจแต่ถ้าสิ่งที่เขาว่าเราเป็นสิ่งที่ถูกเพราะว่าเราไม่ดีเราก็ควรที่จะเอามาแก้ไขเพราะมันจะได้เกิดประโยชน์กับเราคือฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์ทําให้ จะไปฟังด้วยอารมณ์ถ้าอารมณ์นี้เราจะท้าให้คงเขาสละเสวนอย่างเดียวเราจะเลวขนาดไหนแต่ถ้าเขายกย่องสารเสวนเราเราก็ดีใจเราจะดีขนาดไหนถ้าเขาไม่ตำหนิเราเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม่ไคิดอารมณ์เป็นหลักเราคิดความจริงเป็นหลักไม่ว่าใครก็จะพูดอะไรก็ตามเราจะไม่หวั่นไหวกับคการพูดของใคร เราฟังที่เหตุผล็นเท่านั้นเองฟังที่ความจริงว่าสิ่งที่เขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าจริงแล้วมันเราไม่ดีจริงเราก็รีบแก้ไขเราจะได้ดีได้ถ้าเราดีแล้วเขามาว่าเราไม่ดีเราก็ไม่ต้องทําอะไรแค่แสดงว่าเขาเป็นคนตาบอดมองไม่มองไม่เห็นมองไม่เป็นมองไม่ถูกก็ทางนั้นเองหรือเขามีเจตนาไม่ดีเขาเกลียดที่หน้าเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นเนเงินเป็นกรรของเราก็แล้วกันเราอาจจะเคยมีอะไรจากเขามาจึงทำให้เขาเกิดความเกลียดชังในอเราเขาไม่เสีหายอะไรพระวิชาเจ้าบอกอยู่ในโลกนี้ต้องอยู่เหนือขันละเสรนและยึดคาให้ได้น อ, อยู่ให้เหนือโลกกระทำทั้งสองนับยึดขันละเสรนสูงมีทั้งส่วนเจริญและเสรนที่สรนเป็นธรรมดา เ ร, เราจะไปติอยู่กับควาที่จร เ, เวาเราจะิญราดยึดพลัลเลเงเสนสูงเรจะใจคูเราจะม อ, อกโดาเอเวลาเสื่อยากเสื่อมเสื่อมยากเสื่อมยึจินคาเจอความชุกขึ้นมาแล้วก็ใจหดหู่เราต้องปรับใจของเราให้อยู่โครงการอย่าไปอย่าไปยินดีกับสิ่งเหล่านี้เวลาจเจริญ ก, ก็คอยเตือนสติว่าเดี๋ยวมันก็เส่อน จะไดไม่ดีใ จ, จเกินเกินไปถ้าเราไม่ดีใจแล้วเวลามันมันเสื่อมเราเรากไม่เสียใจสิ่งใดที่เราดีใจเราชอบเราละเพราะสิ่งนั้นมันเสื่อมัจากเราไปเราก็จะเสียใจแต่สิงไดถ้าเราเฉยๆกับมันไม่ดีใจเวลามันเสืนไปเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนไล เพรานั้นเราต้องรู้ทันไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของคู่กันมีของคู่กันมีความเจริญมีความเสื่อ ม, มเป็นธรมมรมดาเวลาเราได้เงินเดือนเียได้ขึ้เนเงเดือนนี้เราก็ไม่ต้องไปอจฉาเพราะว่าต่อไปก็อาจจะไล่เราออกสัญงานก็นได้เดือนถ้าเราจะขาดทุนไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปเพราะเขต้องจุดก่อนัดเลยน หรือเขาต้องลดจานวนพนาก ง, งานลงไปเขาก็อาจจะต้องอออปลดลอยกจางานก็ได้าะฉะนพยายามมองความไม่เขี้ยงแค่แน่นอนอีกทีว่าเราจะได้ไม่หลงตบส่วนดีหรือสวยไม่ดีส่วนไม่ดีมันเดี๋ยวมันก็หมดไปได้เช่นฝนไม่ตกก็ตลอดเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดไม่ต้องไปรังเกียจไม่ต้องไปอยากให้มันหยุด่ะเดี๋ยวถึงเวลามันก็หยุดเองมันมเอง ทำมันมถึงเวลาหยุดต่อให้เราอยากยังไงมันก็ไม่หยุดอยู่ ด, ดีเราก็จะทุกข์เพิ่มาใจตัวเปล่าๆแต่ถ้าเราทําใจให้รับกับทุกสภาพให้ได้เราก็าจะไม่เดียดบังก็จะไม่ทุกข์คือไม่ให้ยึดติดทั้งดีทั้งชั่วหมายถึงว่าทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีแต่เริ่มความดีนี้ให้ยึดติดตลอดเวลาเช่นเรื่องธรรมะมนให้ยึดตลอดเวลาเดี๋ยวจะเข้าใจถึงคนละเรื่องกันนะ ธรรมะนี้มันไม่ใช่เรื่องที่พูดถึงมะดินธรรมะนี้ยึดได้ตลอดเป็นชนะเป็นที่พิ่งได้ตลอดการทางความดีนี่ยึดได้ตลดทำได้ทุกที่ทุกเวลา น่ที่ทใน่งที่ท่านทธิกความหนที่เรามีความเชื่อถืออยู่ในภาวะที่ังแย่เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจมาว่าคุณผู้จัก็เป็นอนุจรัมมันก็จะผ่านไปแต่เราก็ยั ง, งต้องที่ทความดีสอบคามชอบขอความดีมก็มาระกอบกบอันอยู่ลสิ่งที่เกิดมาเป็นคื่ อ, อไม่ดูจากในช่วงนั้นที่สิที่างมาเราไได้รับเราไมที่รัอบางอย่างมันไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการกรของเรามันเป็นการเสี่ยใจของธรรมชาติใช่ ผนตกด่าดอนนี่มันก็เรื่องของการเลียนแงอุรหภแล้วมันก็ไปกระทบกับเกษตรกรถ้ามันดมันมากกับานเกษตรกรก็ไม่สามารถปลุกเขาเีข้าวเพาลออกมาได้มันก็ทำให้เกษตกรัดสได้ก็ทาให้เงานเงินเกิดเงินเด้งก็อาจจะถูกลดถูกตัดได้ มันก็เป็นของของเกี่ยวข้องกันมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเรื่องของบุญของกรรมที่เราทแต่เรื่องของกรรมนี่มันเรื่องที่เราไปเจอกับคนที่ไม่ดีเพราะทาในสิ่งที่ไม่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าอาจจะเป็นเพราะเราเคยทอะไรกับเขาหน่ยอยก็ได้ เร่ที่ที่เราตกกันคนหนึ่งเขาจเจริญงเลื่องเมืองแต่เราตกกัน ท, ทั้งที่เราก็พยายามทาดีที่สุดแล้วแต่มันไม่ไม่ขึ้นก็อาจจะเป็นว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความเก่าาก็ได้ก็อดทนไอใจให้นอยาและพยายามรักษาระดับ ชีวิตการดาเนินชีวิตของเราที่เราเคยทำแล้วอย่าให้มันกลับอย่าให้มันเสื่อมใช่ไม่ใช่พอชีวิตตกสั่ก็เลยทำตัวกันในเทมาตัเลยเราต้องพยายามทำคนดีให้มากยิ่งขึ้นไปอีกดีกว่าบางทีความตกสังของชีวิตมันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราได้ทาทางดีกได้เเห็นว่านี่คือชีวิจริงาอย่างน้องปู่ขาวเนี่ยเมียท่านไปเป็นชู้ ท่านก็เสียใจมากถึงอายุเขาต้องจะฆ่าฆ่าเมียกับฆ้าชู้แต่เขดีได้สติขึ้นมาท่านก็หวาดไปฆ่าเขาทําไมเมื่อเขาไมความสุดก็ให้เขาให้เขาไปงเถอเราเมื่อก่อนนี้เราอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้พอมาต่อไปเราจะอยู่เราอยู่คนเดียวไม่ได้เราไปฆ่าเขาเราก็ไม่เราก็ไม่ได้พิเศษกับเขาเราเลวเขาถือท่านก็ได้สติท่านก็เลยประกาศเป็นทางการเลยวนะ่า ตอนนี้ภรรยาของเราคนนี้ไม่ได้เป็นของเราต่อไปยกให้คนนี้แตะละเสร็จแล้วลจะไปบวชจะไปทำความดีไปบวชนี่ยคือการทำความดีเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกวิกฤตคลิกเหตุ ก, ก, ก, ก, การณ์ที่เลวร้ยายให้เป็นให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาสมว่าเราสูเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเราอยู่แล้วก็ไปบวชเลย ใจ่ดีมันรอนานคมันยืนมานนานมันก็ไม่แน่เสมหรอกเคแต่ว่าความอยากเราทำให้มันรู้สึกยานแต่เราอยากก็ได้แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ทําใจเราแคคือ แต่นี่เราไม่อยากได้นี่มันม า, มาเร็วเกินเรื่องเร่งบินนี่ น, น, นนะมันมาบ่อยเลมาลเดือนนึ่งาแล้วแต่เงินเดือนี่นะกว่าจะออกนี่มถึงานานนอกจนี่มันก็ถาจุดวางเหมือนกันวามรู้สึกของเราเป็นทำให้ารู้สึกง ผมบอกว่าอย่าไปหลงกับอะไรในโล่านี้เลยมันเป็นความหลงนะนเรื่องไม่มีกาลังไม่ได้ให้ความสุขให้ความสบายใจให้ความหยุดพงต่งางๆหรือแต่จะสร้า ง, งความึุขให้มันมากขึ้นแต่เรื่อยๆเพรา ด, ดีก็เสกอยากจะให้มันดีไปตลอดพอไม่พอไม่ดีเพียงนิดเดียวก็เสียใจแล้และ จริงหรือเปลมันไม่ดีจริงอ่ะพราพุทธเจ้าท่านไม่เห็นว่ามันดีพรา า, ม า, ารไม่เห็นว่ามันดีสุบาอาจารย์เห็นว่ามันดีคนหลงท่นี่จะเห็นว่ามันดีตอนที่ไม่หลงก็เห็นว่ามันพุดเท่ันไม่มีอะไรดีที่สุด มอกอนนี้าให้แต่ ง, งานไม่มีลูกก็สบายนะใช่ไ <c oughs> แ, แต่ก็คิดว่ามีมีมีสา ม, ม, มีแล้วจะดีเขามีสามีแล้วเชื่อมีลูกก็จะดีแล้วจะมีไงดีไหมล่ะเราไม่เห็นความที่ข อ, ของเขาอ่ะ <c oughs> เป็นยังไงเราจะเห็นแต่ส่วนที่ดี <c oughs> เลวเาลาก็ทะเลาะกันไม่เห็นลยไม่เห็น แล้วทะเลาะกันทุกคู่อ่ะไม่มีคู่ไหน่ทะเลาะกันนอกจากคนตายนน ว, านนวันนี้มีโปรแกรมอะไ ร, รตรอหรอโปรแกรมอั๋นนะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องอยู่ต่อเดี๋ยวมีเดี๋ยมีปัญหางรมีปัหา่ไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรเพาอีเมลมาต้องอีเมลมาบอกเดี๋ยวเขาจะมารยาวันเกิดก็จะมาทดีหน่อยมาตอนนี้ก็บอกตอนนี้ไม่ว่างเาเลยบอกวจะมาเลี้้าวั งไม่มีร้อนเลถามอยู่เฉยๆตัเดี๋ยวเราจะจะคุยกันทั้งอยากกระลับกัไม่ได้ก่อนไมเลยไม่เท่านไม่ได้ถาไหนมาฝนตกก็นี่จะไปไหนต้องไปรอ เรทุกข์หรไม่ทุกกับความอยากน้ถ้าเราไม่อยากมีอยากเป็นแล้วเราทุกข์เวลาที่คนนี้คนนี้ให้เรามาเป็นเนี่ยมันก็เป็นิเลชันถึงแม้เราไม่อยากจะเป็นผู้จัด ก, การนี้แล้วก็มาบังคับให้เราเป็นผู้จัด ก, การแล้วเราก็ทุกกับการเป็นผู้จัด ก, การนี้ทั้งทังที่คนหนึ่งก็มีความสุขกแสดงว่ามันก็เป็นสิเลอะไรที่ทําสร้างความทุกข์ให้กับเราเป็นสิเลชั น, น คือตเอถึงแม้เราไม่อยากแต่เมื่อเราต้องอยู่ในสภาพนั้นเราก็พยายามทำให้มันมีความสุขให้ได้ไคืออย่างนักก็อย่าไปทุกขกมันเชื่อว่าทำตามหน้าที่ตไปให้เราไม่อยากแก่นี้ถึงเวลามันแก่ขึ้นมาถ้าเราไม่ถ้าไม่ทุกกับความแก่ก็ไม่เกิดปัญห แต่ถ้วเราทุกข์กับความแก่แล้วรีบไปหาหมอไปทำศสลยกรรมนี้อันเนี้ยเป็นเป็นกิเลสต้องดูที่ที่ความทุกข์ใจเราไป็นะอะไรก็ตามที่เป็นความทุกข์ใจนี่มันเป็นของทากกิเลสถ้าเป็นธรรมแล้วมันจะไม่คุกข์กับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะถูกเข้าจับไปทรนาน รังอยู่ในตรงไม่ให้ขยับขยื่นอะไรถ้าใจยังสบายยังสงบยังน่งก็ไม่ก็ไม่เป็นอี๋พรถ้าเราทำใจสงบได้ไม่ว่าใครก็อย่าทำอะไรกับร่างกายก็แค่แค่มันก็ไม่มาตอกตบอัเราเพราะกิเลสมันไม่ทำลายมันทำงานเวลที่เราทุกขก็เพราะกิเลสเราเปนมันทางานมันไม่ต้องการสิ่งที่มันได้แล้วหรือมันก็เป็นทุกข์ หรือมันอยากจะได้ในสิ่งที่ทำไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ึ้นเราะนั้นมันม่นด้อยู่ที่ว่าเราทาอะไรหลือไม่ทาอะไรยกเว้นว่าสิ่งที่เราทาแล้วมันมันมันเป็นบาปอจะทุกขไม่ทุกข์ก็เทวบาปถ้าเป็นกิเลสเหมือนกันบาคนทบาปแล้วก็ไม่ทุกข์เขมีคามสุขอย่างนี้ก็แต่เขไม่รู้ว่าเขาจะต้องใช้ใช้การตายไปในภายหน้าก็ต้องทุกข์ไปใหน้า เป็นชอบไปท่าใครก็อาจจะมีความสุขในทางนั้นก็ได้แต่ต่อไปนี่ก็ถูกเกี่ยวกัารทำโทษนี่เขาก็จะต้องคิดอะรางอานัน เ, เราทำอะไรบางอย่างถึงแม้เราจะมีความสุขเราก็ต้องดูถึงผลที่จะตามมาต่อไปว่ามันจะให้ความสุขกับเราหรือให้ความทุกข์กับเราเช่นเราเราชอบทําอะไรชอบเด่นสุราอย่างนี้แล้วเราก็เวลาเราเด่นสุรายเราก็มีความสุข แต่ถ้าวันไหนเราไม่มีเงินไปซื้อสุลามาดืเราก็จะพามานเราก็จะทุกขามันใจเราก็ต้องมองเส้นของที่จะตามมาใเพราะมันอาจจะเป็นฝุดตอนต้นแต่มันจะเป็นทุกข์ตอกลางป่าคูให้มันทุกข์แต่ตอนต้นเราไปสุกแต่ตอนกลางดีก่าคือเวลาเราอยากจะดื่มสุลาแล้วเราพยายามเข้อย่าไปดื่มมันก็จะทุกขรมันใจ แต่เมื่อเราสามารถเอาชนะความอยากได้ต่อไปความอยากเดือดราอก็ไม่มีต่อไปเราก็จะสบายไม่ทุกกับเรื่องเดือดร้อนั่อไปความทุกกับความสุขนี่มันก็มันมีหลายหลายหล า, าหลายมุมเหมือนกั น, นความทุกบางอย่างก็เป็นประโยชน์เรื่องความทุกของพวกเราที่มาปฏิบัติทามนี้มันเป็นทางทุกข์ึนเรื่องต้น แต่มันจะเป็นทางเสอมเินเ่องงนเรื่องเนเรื่องเนเรื่องควรื่อามในบ้านความอม่ต้องตื่นมาแต่เช้าตะเกียบตะกายขับรถงานมาทําดุญมานั่งสมาี่อยู่นี้คนที่ท้าไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลนี้จะทํามานมากจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเขาอยู่ได้ต่อไปเ้าก็สบายเขาก็ไม่ต้องไปเที่ยวเขาอยู่อยู่บ้านเฉ๋ยเขาก็เขาก็อยู่ได้นั่งอยู่ที่ไหนเฉ๋ยเขาก็เขาก็มีความสุดได้ เพรั้ถ้าทุกขก็ขอเนทุกข์เพื่อความสุขอยากสุขเพื่อความทุกข์ขอยาไปเที่ยวอันนี้มันสุขใชไปเที่ยวกับเมืกลับมาบ้านแกระเป๋ากระเป๋าแยบเยอะพรุ่ง น, นี้จะหาจะเอางินที่ไหนไปซื้อข้าวกินเนี่ยมันจะทุกข์แล้ว ทุกข์ด้วยการต่อสู้กับความอยากที่จะเที่ยวดีกว่าเป็นอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ยอมไปเที่ยวยอมทุกข์ยอมยอมอยู่กับบ้านต่อไปความอยากเที่ยวมันก็จะเบาบางไปจนหมดไปเลยเพรามันทุกันอยากที่ไรก็ไม่ได้ไปเที่ยวทั้งทีต่อไปมันก็ไม่อยากเลยต่อไปก็จะมีเงินเหลือใช้สบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องหาเงินหาครับ หอยากจะทำบุญกับงาบ้าน้อยเท่าไหร่ก็ทำได้เลยนงนันค่งที่ายายแลไที่ได้ไหมไปเที่ยวได้แต่มันหมดได้เลยมดไปได้บุญอะไรอะไรแล้วนึม้งานจะไม่หมดนันก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้มันจะงแล้วไปเที่ยวมันก็เบื่อล้มันไม่รู้จะไปไหนลวมันไปมาหมดล <c oughs> มันก็จะทุกข์อีก ต้องต้องต้างเป็นแบบพวกเศรษฐีมหาเศษฐีที่ต้องไปไปไปขึ้นขึ้นขึ้นจะวลยขึ้นไปลอยเนอ่วัการ์เสียเงินก็ห้าร้อยล้านบาทแล้วก็ไปทรมานจะายจะถึกเป็นนักอวกาศนี้เอาไปเกียตายด้วยไปรู้ไปแล้วจะได้กลับมานะจ๊ะไม่พิเรนท์ไม่ท้ายใส แทนที่จะเเงิน500รอล้านนันไปทาดนะบ้านสบายกว่าปลอดภัยกว่ามีความสุขกว่าทำไม่เป็นงนพวกนี้กชีวิตขอนเรียอย่างนี้หาทางที่จะไปไงต้องออกไปเที่ยวเที่ยวก็เบื่อเเที่ยวก็วนอย่างี้ขารวงจรอุบาตอนนี้จะเอาวงจรอบ่าได้นี่ถึงต้อง ต้องทรมานหนต้องต้องอดทนถึงจะออกไ ด, ได้หรือโชคดีได้เข้ากลุ่มแล้วก็ทวงไปแล้วเราก็เจอกลุ่มเข้าไปมันง่ายหน่อยถ้าไปเองมันอาจจะยากหน่อยแต่ถ้ามีกลุ่มดึงไปดึงไปต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆต่อไปไม่มีใครดึงไปแล้วก็เดินเราก็ดึงตัวเราไปเองได้ บางประเทีพวกทจะไปดดเบเตี้ยเหมือนกันพวกก็จะไม่มันคกับคนงกนลคคลมันนอกจากบางครังบางรมันมีความกังเ็นไงความเซนออกเซงใจกันหรือหรืออาจจะติ้งคนนี้จิดใจคนนี้แต่คนนี้ก็ชอบเข้าว้ก็ต่างก็เข้าวัดไป่นี้ต่อไปก็อาจจะเป็นนิสัยเข้าวัดแต่เข้าก็ได้อาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่ไปไปได้ งั้นถือว่าเป็นบุญเป็นโชคเป็นโชคที่ได้เจอเ